ตอนนี้กำลังหาในเรื่องของคำว่าอุทิตเพราะว่า <_ D> อุทิตนี่ใสเกินมาน <_ D> ก็เลยต้องไปดูในบาลีที่ใช้คำว่าอุทิตเนี่ยใช้ในกรณีใดบ้างก็อย่างอย่างในทิศอเนี่ยที่ครูจเจ้าให้ บอกว่าข้อสุดท้ายที่บุตรพึงทาต่อมีดามันดาผู้ล่วงลับเนี่ยก็คือให้กระทาทักกีนาอุทิตท่านนะแต่ในบาลีจะมีแค่คำว่าทักกีนาแต่ไม่มีคำว่าอุทิตนะอุทิตในภาษาไทยใส่เกินไปนะก็เลยต้องไปตรวจ ด, ดูในบาลีเนี่ยก็เลยพระท่าน ช่วยหาให้บอกไปหาคำว่าอุทิ์ออกมาให้หมดเลยถ้าต้องไปเช็คในบาลี้วยก็ออกมาท้ากับ64พระสูตรเนี่ยนี่นก็นจะดูตัวอย่างของพระศาสดาพระศาสดาใช้อะไรคือไปสแกนใ น, ในภาษาไทยไม่ได้เพราะภาษาไทยใส่เกินบ้างขาดบ้างพูะเจ้าจะจะแยกคำว่าทักคินาแยกทาน แล้วก็อุทิศเนี่ยแต่ละอันก็จะมีใช้ต่างกันประเด็นก็คือว่ามักจะมีคนถามบ่อยว่าเอเวลาเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศให้ผู้ตายมันไปได้แบมบุญมันปุ๊บไปถึงผู้ตายไดไ้โดยใจเพราะพรอกฏว่าดูในคำนี้ในตัวอย่างใน64พระสูตรเนี่ยไม่มีตัวอย่างที่พู้เจ้าใช้แบบนี้ นะการอุทิตมีอะไรบ้างนะทรัพ์นะนะได้นาทรัพย์มากมายนี้มาเฉพาะพระ อ, องค์ก็ เ, เป็นเรื่องเกี่ยวกับของอีกเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวในใจถวายเจาะจงพวกปัรประชิดผู้มีสินนะมีอาหารมาถวายเจาะจงพวกปประชิตไม่รับพิกษาที่เขานำมาเฉพาะนะไม่ยินดีในพิษาที่เขาเจาะจงให้ อยู่อุทิตต่อเรานะการบวชเนี่ยอยู่อุทิตต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะอุทิตเฉพาะท่านพระโคดมท่านได้บรรพชาเฉพาะใครก็คืออุทิตเฉพาะใครอย่างนี้ลักษณะการใช้คําว่าอุทิศของภาษาสระสนะ่ะเราก็พยายามรวบรวมมาคือต้องไปหาในบาลีก่อนแล้วก็พลิกกลับบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เลือกเฉพาะพุทธวจนะที่เหลือไม่เอาอย่างนี้ ฆ่าสัตว์เฉพาะเจาะจงสมณะโคดมนี่ก็ใช้อุทิตนะเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะตนนี่ก็อุทิศนะฆ่าสัตว์เฉพาะเจาะจงตถาคตใช้คำวมอุทิตมีศรัทธาออกบวชจากเกลือนเป็นบนรรพชิตอุทิตเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็ใช้คำว่าอุทิตตั้งใจอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคถวายทานเฉพาะสงฆ์แล้วก็ใช้อุทิตเองเหมือนกัน ขอได้โปรดจัดภิกษุภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักินาที่ถึงแล้วก็ใช้คาว่าอุทิตนี่คือตัวอย่างของการใช้อุทิตใน50สิพระสูตร15แงม่มุมนะแง่มุมอื่นอีก14พระสูตรเนี่ยจะมี4ประเด็นคือทรงสวดปฏิโมกในที่ประชุมก็ใช้คาว่าอุทิศนะ ทรงแสดงอุเทศนี้แล้วก็เนื้อความที่แห่งอุเทศแสดงโดยย่อหมดละอุทิตยังไม่เจอที่ส่ง่างใจไปพืป้ดไปเราใช้คำว่าอุทิตก็ยังต้องหาต่อยังไม่สรุปนะก็เลยเอามาให้เราดูคร่าวว่านะจากที่ที่เห็นเนี่ยแสดงว่าสมมติว่าถ้ามี การการให้ทางจิตแล้วเขาได้รับได้เนี่ยก็ไม่ได้พระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าอุทิตละเพราะไม่มีตัวอย่างเลยแต่ ค, าคาําว่าให้เนี่ยมันมันถูกมันมีคำที่แปลแปลว่าให้เนี่ยโดยบทพันธสาอื่นอีกหลายอันเราจะเช็คอีกทุกอันเลยนะว่ามีไหมนะแล้วคําว่าให้นั้นพระศาสดาใช้คําว่าอะไร เราอาจจะต้องเปลี่ยนคำว่าอุทิตใหม่มาพูดให้ตรงกับที่พระศาสดาได้บอกเอาไว้ก็จะเหมือนกับที่อาตมาอยากให้อยากจะให้พวกเราเนี่ยใช้คำให้ตรงเพราะว่าคำพู้เจ้าจะค่อยๆหายไปหายไปจากโลก อย่างวันมาค้าบูชาเนี่ยโยมวันมาค้าบูชาพอไปเช็คแล้วเนี่ยคือมาค้าบูชาก็เป็นคําแต่งขึ้นอีกนะแต่คํานี้มีมีคำที่พระศา ส, สดาชี้เฉพาะลงไหมว่าพระองค์ใช้คําว่าอะไรพระองค์ใช้คําว่าสาวกานังสันนิปาโตสันนิปาโตหรือสันนิปาเนี่ยคือการประชุม แล้วก็สาวาการนังก็คือสาวกเป็นวันประชุมของสาวกนะ5 0รูปเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเอโกสาวการนังสนิปาโตอโหสิคือมีการประชุมของสาวกครั้งเดียวในยุคพระพรุทธเจ้าสมณะโคดม 1,250 รูปแล้วพระองค์ก็เล่าไปถึง91กลับที่แล้วนะพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสี จะมีสาวาการนังสันนิปาโตเนี่ยสครั้งนะครั้ง1่ครั้งแรกเนี่ยจะ6กล้านแปลูครั้งที่2 0 0แสนลูกครั้งที่3 8 0 0 0 0หมื่นลู ก, กลับต่อมาจะมีสาวาการนงสันนิปาโตนะในผู้เจ้าชื่อสิขีสครั้งอีกเหมือนกันในผู้เจ้าชื่อเวสภูอีก3ครั้งแล้วก็บอกในพัตตกับเนี่ยจะมีผู้เจ้าเนี่ยสี่พระองค์ พระองค์แรกชื่อกุกะสัต t h เนี่ยอายุสี่หมืปีก็จะมีการประชุมครั้งเดียวสาวการนังสันนิปาโตทุกพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสาวการนังสันนิปาโตทั้งหมดคําพวกเนี้ยนัยยะสำคัญพวกเนี้ยเราน่าจะหยิบมาใช้ว่าวันมาค้าบูชาคือวันสาวการนังสันนิปาโตวันที่มีการประชุมกันของสาวกนะเราไปแต่งใหม่แล้วก็เลยเสียดายคำเก่านะที่ศาสดาเนี่ย สัมมาสัมพุทธาได้เป็นคนบัญญัติได้พูดเอาไว้นะนคำเหล่านี้อยากให้รักษาไว้เทวดาว่ายใครโ ย, ยมรู้ไหมเทวดาว่ายใครอะไรนะว่ายพระุทธเจ้านั้นบอกว่ายผู้มีศีลมีกล่าวอะไรอีกฮะ ไหว้โสตบันเท้าสักกะจอมเทพเดินลงจากประสาทประนมมือไหว้ทุกทิศเลยนะมาตลีเทพประบุลูกน้องเท้าสักกะสงสัยเท้าสักกะไหว้ใครอีกเท้าสักกะบอกว่าไหว้ข้าราชกาผู้มีสินนะผู้มีจิตตั้งมั่นตลอดการยาวนานนะนักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมาจันนะ ท้าสกกวสก่าไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบทำรรนะท้าวสักกะไหว้พระเสกกะอเสขะไหว้พระพุทธเจ้าดังนั้นที่ปนมือไหว้ทั้งสทิศหาตัวไม่เจอนะแต่ก็ไหว้ไปเจตนาไหว้แก่ผู้มีศินมนุษย์ผู้มีศินเนี่ยนะดังนั้นะนะนะถ้าเราทําตัวเป็นผู้มีศินทําสมาธิมีจิตตั้งมั่นตลอดการยาวนานเทวดาว่ายเรานะ ไม่ต้องไปวิ่งไปไหว้ววเทวดานะอยากชี้ประเด็นนี้ให้เห็นนะแล้วเท ว, วดาจะตายแล้วอยากไปไหนเยู่อยากไปเกิดเป็นอะไรเออเท ว, วดาอยากได้มาเป็นมนุษย์พรนะพุทธเจ้าบอก <c oughs> บอกว่า เทวดาเนี่ยพอใกล้จะจุติจากเทวโลกทำให้เราทราบเทวดาตายเรียบหมดน ะ, ะไม่มีเทวดาถาวรไม่มีเมื่อจะจุติจากเทวโลกเนี่ยเสื้อผ้าอาพรจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะหมองคล้ำเหงื่อออกจากลักแล้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตน เทวดาคนอื่นเขาก็จะเห็นแล้วนี่ตายแน่เข้ามาอวยพรหน่อยน ะ, ะเขาก็จะบอกว่าขอให้ท่านอย่าได้ไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ราบและขอให้ท่านเนี่ยตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วภิกษุก็เลยถามพระพุทธเจ้าแล้วอะไรเป็นสุคติของเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นสุคติของเทวดา แล้วบอกว่าอะไรเป็นการได้ราบของเทวดาก็คือเทวดานั้นเนี่ยได้มีความศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั่นเป็นการได้ราบของเทวดาดังนั้นถ้าพวกเราเนี่ยมีศรัทธาในคาสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วชื่อว่าเราได้ราบเพราะอาจจะตายจากเทวดามาก็ได้ อ, อ, อย่างที่สเนี่ยอะไรคือราบที่ตั้งมั่นได้ดี ก็คือเมื่อได้ศรัทธาแล้วในคำสอนตถาคตเนี่ยอันสมณะใดๆนะคือนักบวชใดๆสมณะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจชักนำเข้าไปได้มีสมณะคนไหนไหมที่ชักนำโยมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ มีเทพองค์ไหนไหมที่ชักนํศรัทธายมออกไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทำวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วมีพรมคนใดไหมที่ชักนาศรัทธายมออกไปได้นะหรือมีใครใอีกไหมในโลกที่ชักนาศรัทธายมเนี่ยออกไปจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้นะได้าบได้มีความตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เลยให้ทราบเรื่องของว่าเทวดาไหายใครนะีแล้วอะไรคือสุคติของเทวดานะนั้นสุคติของเทวดาก็คือมนุษย์นี่แหละนะการได้ราบของเทวดาคือได้มามีศรัทธาในธรรมวินัยอันตราคตรประกาศไว้ดีแล้วนะแล้วก็สมณะเทพมารพรมใดใดในโลกเนี่ย ไม่อาจชักนำศรัทธาเขานีออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นั่นคือการประดิษฐานด้วยดีความตั้งมั่นด้วยดีในราบที่ได้ดีแล้วก็จะได้เอามาตรวจสอบตนเองว่าเราถูกไขรลากออกไปหรือเปล่าดังนั้นโสดาบันเนี่ยจะมีจิตใจที่มั่นคงประดุษเสาหินยาว16ศอก ฝังลึกลงในดินแปดศอกโผล่ขึ้นมาแปดศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสี่ทิศจันใดจิตพระโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกเนี่ยดึงศรัทธาของพระโสดาบันออกไปจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นี่เครื่องวัดอย่างหนึ่งของความเป็นโสดาบันบุคคล ดังนั้นพระตะถาคตจึงตัดว่าฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันก็คืออะไรโสดาบันจะไม่เวียนไปนับถือศาสดาอื่นนี่คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันคือโสดาบันจะไม่สแสวงหาทักือเนยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ไม่เชื่อแล้วว่านอกภายนอกจากธรรมวินัยอยันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ย จะมีทักเนยะบุคคลอยู่ได้จะมีคำตัดของพระศาสดาไว้ทั้งหมดนะเรามีความรู้เรื่องการอุทิตพยายามเอาสิ่งใหม่ๆ ห, หรือเรื่องที่เข้าใจปิดกันอยู่เนี่ยมาเปิดเผยให้เราทราบ นะพราะพระศาสดาบอกว่าอะไรพระองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคําตถาคตต้องเปิดเผยนะยิ่งเปิดเผยยิ่งกระจางยิ่งรุ่งเรืองแต่พระองค์บอกมนของพรามเนี่ยต้องปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองเวลาพราหมณ์ทําอะไรก็เงืมเงื่มงำมเงื่มงำมเว่าไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็งงอ่ะดี น้อยแต่ถ้าเราเปิดเผยบทบรรณาธิกาออกมาเนี่ยมันจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลนั่นผู้จ่าจึงบอกว่ามุนของพรามปิดบังเข้าไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองมิจฉาทิฐิปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญพวกมิจฉาทิฐิเขาก็ต้องมีความลับอะไรกันไว้บ้างอย่าเปิดเผยหมด ดูเหมือนมันลึกลับซับซ้อนนิดหน่อยนะแล้วเขาจะเจริญแต่พระองค์บอกทำวินยัยอันตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองนะก็พยายามเอาคำของพระศาสดาของเราแท้ๆออกมาถ่ายทอดบอกสอนให้ฟังกันนะ นี่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะที่พระเจ้าบอกความเป็นมนุษย์นั่นและเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดานี่ก็ให้พอใจอัตภาพความเป็นมนุษย์นะเมื่อใดเทวดาต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาผู้ปล่อยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแม่ท่านผู้เจริญ ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุขคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งลงมัน่นมีมูลลากแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วอันใครๆพึงนําไปไมิได้ตลอดชีพนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมั่นคงกะ คำพระสัสดารนะเราจะได้พรอนันนีนะ้ที่ก่อนตายลงมาเทวดาทั้งหลายเพื่อนๆเราที่ยังไม่ตายก็อวยพรกันหน้าดูเลยนะ่ประเด็นนี้ที่สงสัยกันแต่ก่อนนะพระก็ไปเจอกันมาแล้ว <c oughs> ที่ก็ถามเรื่อง ที่ผู้จ่าบอกว่าชายผีอยู่ร่วมกว่หญิงผีชายผีอยู่ร่วมกว่หญิงเทวด า, ดาเขาก็เลยบอกเอ๊ะแล้วตกลงไอ้คำว่าผีในในพุทธศาสนามีแล้วก็คือมันไม่มีหรอกอันนี้เป็นจำนวนการแปลของเขาเองไปดูในบาลีแล้วจะใช้คําว่าชาวกลชาวายะแปลว่าชั่วเมืชายชั่วอยู่กับหญิงชั่วอย่างนี้นะอ่าแต่เวลาแปลก็ไปแปลว่าผีนะ เ, นเราก็เลยอาจจะมีข้อสงสัยกันนะเอ๊ะตกลงแล้วชายผีเป็นยังไงนะ แล้วในพระสูตรนี้ก็จะมีคำตอบอีกอันที่มีข้อสงสัยกันเพราะในสินข้อสามพระุเจ้าจะบอกประพฤติผิดในหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาบอกออ่อย่างนี้ผู้หญิงก็ผิดสินข้อสามไม่ไดนะ้ซึ่งในสินข้อสามเนี่ยมันจะมีศัพท์อยู่อันหนึ่งซึ่งมัน กั้กึ่งกันว่าจะแปลว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้าแปลว่าอย่างนี้จะเป็นกรณีผู้หญิงอย่างเดียวถ้าแปลว่าอีกอย่างหนึ่งจะเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเราก็จึงไปหาคำสอนพระศาสดาดูซิว่าเอ๊ะผู้หญิงผิดศีลข้อ3ได้ไหมก็ไปเจอในพระสูตรนี้พอดีนะระบุชัดเลยว่าในกรณีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเนี่ย พระเจ้าจะบอกว่าสามีในโลกนี้เป็นผู้มักฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จ ด, ดื่มน้ําเมาคือสุลาและเมลัยนะเป็นคนทุศินมีใจอันมนทินคือความตระหนีครอบงำดาและบริภาษสมณะปรามอยู่คลองเลือนแม้ภรรยาของเขาก็เป็นผู้มักฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จ ด, ดื่มน้ําเมานะนี่ก็ท่านก็บอกโดยตรงเลยว่า ภรยาก็ประพฤติปิดในกามได้นะก็จะเป็นคำตอบให้สำหรับสินข้อสามนั่นคือใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะาลีจะใช้คำว่ากาเมสุมิชชาจาริณีส่วนของผู้ชายจะใช้คำว่ากาเมสุมิชชาจารีนะทุกเรื่องสืบค้นได้จากพุทธวจนะนะ มีคนถามผู้ชาว่าให้ทานให้ที่ไหนโยมใครตอบได้บ้างให้ทานให้ที่ไหนเขาถามภาษาสดาแค่เนี้ยผู้ชาจะตอบว่ายังไงเป็นโยมโยมจะตอบว่ายังไงให้ที่ไหนนะให้ที่ใจละ่ะให้ที่ใจให้ยังไงอะให้ที่ใจ ใจยินดีให้เหรอมีคำตอบอื่นไหมให้ทานที่ไหนที่ไหนก็ได้ผูเ <c oughs> <c oughs> จ้าบอกว่าอันนี้พระเจ้าประสเสนที่โกสลถามพระศาสดาผู้เจ้าบอกว่าดูก่อนมหาบพิตรจิตย่อมเริ่มใสในที่ใดพึงให้ในทีนั้น ก็คล้ายๆกับโยมที่ต่อให้ที่ใจเนี่ยใจเลื่อมใสเรื่อมใ ส, ใสที่ไหนให้ที่นั้นแล้วก็ก็ถามแต่ว่าก็เราให้ที่ไหนจึงจะมีผลมากพระุทธเจ้าบอกต้องแยกตอบเป็นสองนะเรื่องให้ที่ไหนกับอันไหนให้ผลมากนะทานที่ให้ในผู้มีศีลมีผลมาก <c oughs> ซึ่งพวงก็จะไล่ลําดับตั้งแต่ <c oughs> เดลฉานนะผูุ้ชนที่ทุศีน เกยบขึ้นมาประชชนมีสินประสาทการเป็นอารยะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นาการให้ทานเนี่ยบริสุทธิ์ใน3ฝ่ายฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับแล้วก็ทานที่ได้ม า, นาในฝ่ายผู้รับ <c oughs> <c oughs> ก็จะไล่ตั้งแต่เดรัจฉานขึ้นไปเลยจนถึงพาษีบุคคลขั้นปลายในฝ่ายผู้ให้ จะเริ่มจากมีศรัทธาไหมหรือไม่มีศรัทธาแล้วก็ให้แล้วเกิดกิเลสได้ไหมแมวสาวให้ยังเกิดกิเลสอีกนะท่านของอสัตตบุรุษเนี่ยให้โดยกระทบตนและกระทบผู้อื่ น, นอีกอันนึงเนี่ยให้แล้วเกิดมานะได้ไหมให้แล้วรู้สึกว่าเราให้เขารับเกิดมานะขึ้น ให้ทานเป็นอริบุคคลได้ไหมให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลได้ไหมให้ทานแบบไหนจึงเป็นอริบุคคลได้นะอะไรนะให้อืมให้ทานแบบไหนจึงเป็นอริบุคคลประเด็นไรที่สําคัญนี่ส่อ ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตจะได้ระยิบุคลแต่ถ้าวางจิตแบบอื่นเนี่ยจะยังไม่ได้วางจิตแบบอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้อันนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอันนี้สงญ่ผลใหญ่ก็คือสงให้เขาไปเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกะดัดไว้กระสารีบุตร หรืออีกพวกหนึ่งเนี่ยไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่คิดว่าให้แต่ก็ยังไม่ได้นิสงใหญ่คือต้องกลับมาสู่สังสารวัตกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะยังไม่เข้าอริบุคคลอีกพวกก็คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาทาไปพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้นิสงใหญ่อีกพวกคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควร ให้ดีกว่านะก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้อนิสงส์งใหญ่อีกพวกคิดว่าไม่ให้ทานเป็นเครื่องปลื้มใจสมนัติใจปิติจใจนะก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็ยังกลับมาสู่สั ง, ส, งสรสวัตอยู่ดีต้องให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต <c oughs> ท่ น, นี้ปรุงแต่งอย่างไรปรุงแต่งยังไงดี <c oughs> ก็มีข้อสงสัย ก็ต้องไปสืบค้นในคําพระตะถาคตอีกเหมือนกันว่าอริบุคคลให้ทานแล้วคนให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลเนี่ยทายังไงก็คือพระเจ้าบอกมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาระค์อันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสืส่อสละจําแนกทานอยู่คลองเรือนะนั้นถ้าโยมให้ทานแล้ววางจิตละความตระหนี่ยมจะได้เป็นอริบุคคล จะไปเกิดเป็นพรหมกายิการนางเทวานังเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราไปวัดเนี่ยเขาสอนให้ทานเนี่ยโยมเชื่อว่าเขาไม่เคยบอกโยมว่าวางจิตยังไงนะหรือว่าอาจจะบอกแล้วบอกว่าวางจิตแบบที่เขาบอกเนี่ยซึ่งมันจะตรงกับที่ผู้เจ้าบอกกับภาษาริบุตรหรือเปล่า และถ้าโยมวางจิตอย่างนั้นเนี่ยจะได้อ น, นิสงส์ใหญ่ไหมโยมก็จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอ น, นิสงส์ใหญ่นะเพราะภาษาลิบุตรเนี่ยจะขอแยกให้ทานยังไงจึงจะเป็นผลใหญ่และอ น, นิสงส์ใหญ่ให้ทานยังไงจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ครูเจ้าก็แจกแจงไว้ให้หมดความรู้พวกนี้สาวกไม่รู้นะต้องใช้ความรู้ของพระศาสดาขณะภาษาลิบุตรยังคิดไม่ออกนั่นเนี่ยนะนะมือขวาครูเจ้าเลย นี่เกิกับเรื่องให้ทานให้เป็นความรู้พวกเราไว้เพราะพวกเราเนี่ยให้ทานกันนะเรื่อยๆเป็นประจำเราจะได้ผลของการให้จึงจะได้คุ้มค่าหน่อยคุ้มที่สุดคือได้เป็นอริบุคคลละความตันนีอันเป็นมลทินออกจากใจไปเรื่อย เข้าใจเรื่องสัตตานังดีหรื อ, อยังรู้จักสัตตานังมั้ยเนี่ยไม่รู้จักอยู่ในศาสนาพูดไม่รู้จักสัตตานังนี่เฉยแล้วนะรู้จักใช่ไหมสัตตานังเป็นใครสัตตานังเคยได้ยินเขาพูดวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไหมเคยพูดถูกหรือพูดผิด อืคนที่ไม่ทราบเริ่มงงๆเลเพราะเราก็เคยพูดมาเหมือนกันใครที่พูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดเนี่ยในครั้งพุทธการจะถูกตาหนิว่าเป็นโมฆบุรุษเพราะวิญญาณไม่ได้เป็นผู้เวียนไหวตายเกิดวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาพระศาสดาบอกว่า ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> แล้วใครเวียนว่ายตายเกิดสัตสัตวานังเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนั้นชาพูดเราต้องพูดคาใหม่เวลาจะคุยกันน่ยบอกอ๋อสัตว์เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณเวียนว่ายตายเกิด เพราะวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเวลาเราใช้บทพัญชนะผิดจะทําให้เราเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยจะรู้สึกว่าวิญญาณเป็นนิจจังวิญญาณอยู่ตลอดเพราะวิญญาณไปพบนั้นพบนี้พบนั้นพบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้ววิญญาณคืออะไรก็คือความรู้สึกของเราโยมก็จะยึดความรู้สึกของฉันอ๋อความรู้สึกของฉันนี่อยู่ตลอดไม่ตายแต่จริงๆแล้วความรู้สึกของฉันเนี่ยคือจิตเราหรือใจหรือวิญญาณ เกิดดับตลอดนะไม่ใช่ของเราด้วยดังนั้นการใช้บทพั น, นะผิดจากพระศาสนามันจะเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยพระองค์จึงตำหนิผู้พูดคือสาติเกวัตบุตรภิกษุลูกศิษย์ของท่านว่าเป็นโมคคาบุลเธอยังพอจะนับว่าเป็นภิกษุในธรรมวินัย น, นี้ได้หรือไม่จะขับไล่ออกจากความเป็นภิกษุเลยบอกเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคาที่ตนเองถือเอาผิดด้วย <c oughs> ย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิชิบุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเราจะหลุดออกจากวิญญาณไม่ได้เพราะความเข้าใจผิดนะทนี้สัตว์คืออะไรนะพระองค์ก็ตัดตอบไปกับราธาว่าบอกราธาความพอใจอันใด ราคาอันใดนันที่อันใดตันหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์มันมีอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งเนะนี่ยไปยึดกันท้าขณะที่มันไปยึดกันท่าเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าสัตตานังน ะ, ะเมื่อสัตว์ตาหนังเนี่ย ได้สะดับในธรรมของตถาคตฝึกฝนตนเองตามมรรคในองค์8นะจนอวิชชาจางคลายไปถอนตัวออกจากขันท่าได้นะไม่ยึดขันทาสิ่งสิ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยานัทสนะนะดังนั้นมันเป็นชื่อเรียกของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันทานะสิ่งที่ไม่ใช่ขันทาจะมีอะไรอีกก็มีอยู่สิ่งเดียวคืออสังขตะเพราะระบบใหญ่จะมีสองระบบ สังคตะกับอสังคตนะสังคตะเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสังสารรัต ท, ทั้งหมดเนี่ยคือระบบของสังคตะเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็ดับอริสสัต 4, สีสัจจะของสังคตะสัจจะของของปลอมเนี่ยมันมีความจริงอย่างนี้ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับ ดังนั้นสัตตานังก็คือสภาวะเดิมอันเนี้ยแต่เป็นแค่นิยามเรียกชื่อของสภาวะนี้เมื่อสภาวะนี้ยังมีอวิชชาลงยึดขันท่าเกิดแก่เจ็บตายไปกับขันท่าพอคิดว่าขันท่าเป็นตัวมันดังนั้นถ้าเขาประพฤติมักแปดได้สดับในธรรมของตถาคตถอนตัวออกจากขันท่าได้แล้วทุกคนจะเข้ากลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมของตัวเองก็คือวิมุตติยานทัศนานั่นเอง นั่นก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีวิมุติยันทัศนะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ดันไปพอใจกับของแก่เจ็บตายคือขันธ์ทั้งห้านดังนั้นพระศ า, ศาสดาจึงสอนให้เราเนี่ยวางความพอใจจากขันธ์ทั้งห้าจะวางความพอใจได้อย่างไรในเมื่อมันพอใจไปแล้วก็คือต้องเห็นโทษของมันโทษของมันคืออะไรบ้างคือความไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนการแปลเปลี่ยนนั่นเอง ความเป็นทุกข์คือการแตกสลายดับไปความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนจริงตัวตนมันมีชั่วคราวแล้วก็จะหายไปคนที่นั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดก็จะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนจากโลกนี้นะพระเจ้าเปร์เซนที่โกศลถามพระเจ้ามีใครในโลกนี้บ้างไหมเกิดแล้วไม่ตายนะพระเจ้าบอกไม่มีเลยนะบอกแม้แต่พระหานก็ตาย ร่างกายก็ต้องทอดทิ้งไว้บนโลกนี้แต่ธรรมะของท่านะไม่ตายนะแต่ร่างกายเนี่ยตายเรียบหมดซึ่งสัตตานังก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> ลึกซึ้งละเอียดนะ ประเด็นนี้ไม่มีใครยกมาก็เลยยกมาให้พวกเรานะผู้ใหม่นะบางตาที่ไม่เคยได้ทราบจะได้ทราบว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีในศาสนานีนะ้แต่ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ครูเจ้าใช้คาว่าบอกดูก่อนพิสุททั้งหลายสัตว์ผู้มี ว, วิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัต บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตทั้งสี่นะเพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้อริรสัตยสีสัตว์จึงแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่เคยตรัสเลยสักครั้งเดียวว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปนะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะถ้าเข้าใจผิดปุ๊บนี่ก็หลุดออกจากสังสารวัฏไม่ได้ แต่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนักนะถ้าเราตั้งใจพิจารณาในคำบอกคำสอนของพระศาสดาตรงนี้นะมีใครสงสัยอยากรู้อะไรอีกบ้างนะ อืมฮึมพระศาสดาตัดไว้อย่างนั้นให้ละความตะหนีเราให้ทาน ก, กันใช่มคะเหมือนเราถวายสังฆทานหรือว่าใ<ช>ารบริจาคเนสร้างโบสถ์้ า, าอะไรอย่างน<ช>ี้ะอย่างี้ถ้าเกิดว่าเรา อ, อ, อธิษฐานจิตขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคะ่ะอันนี้จะเป็น ความตณีหรือเปล่าค่ะเป็นความตณีไหมคือถ้าเราทําบุญปุ๊บเนี่ยเราขอให้เราพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วทุกของโยมคืออะไรทุกต้องลงมาสารวัตรเนี่ยค่ะทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยค่ะอ่าฮะอ่าทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นในความปรารถนาในความผูกพันในผลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรื่องของระบบของโลกนี่ที่เรียกว่า อ่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรอย่างนี้นะดังนั้นมรติองค์แปเนี่ยมันจะมี2ข้ออยู่เสมอข้อหนึ่งคือฝ่ายโลกอีกข้อหนึ่งคือฝ่ายโลกุตละนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายนะนั้นทุกอย่างจะมีเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายคู่กันหมดเลยนะนั้นถ้าเราพิจารณาในเรื่องเบื้องปลายเนี่ยนะอันนี้เป็นโลกุตละเป็นองค์มรติ คนที่หวังผลในทานมีจิตปลูกพันในผลมุ่งการสั่งสมก็คิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้ยมหวังไม่เล้ว่าเออฉันตายไปเนี่ยไอ้ทานเนี้ยจะส่งผลก่อฉันนะเพราะยมไม่ได้หวังตรงนั้นยมต้องรู้ว่าการให้ทานเนี่ยมีผลนะการให้ทานมีผลจะส่งผลอะไรบ้างเช่นผิวพรรณงาม น่ะหน้าดูหน้าชมยิ่งนักนะเป็นผู้มีผิวพรรณงามรูปร่างงามนะมีพบค้ามากมีทรัพย์มากต้องทราบว่าผลของทานมีนะแล้วยมต้องการผลตรงนี้หรือเปล่าอย่างนี้อ่าจิตจะน้อมไปเพื่อกรรมกุลที่สูงยิ่งขึ้นเนี่ยที่ผู้เจ้าบอกอนิสงค์ของทานนะบริษัทบริวารของเขาจะเชื่อฟังถ้อยคำของเขาถ้าโยมเป็นผู้ให้ทานนี่คืออนิสง์ที่โยมอาจจะไม่ค่อยเคยทราบ คิดว่าให้ทานเนี่ยมีเรื่องแต่โพละมากมีทรัพ์มากแต่จะส่งผลถึงผิวพันธุ์รูปร่างหน้าตาด้วยแล้วก็ทรับเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากทายา น, น ไ, มไม่เป็นที่รักนี่คือผลของทานทั้งนั้ น, นที่พงจํำแน่ออกมาเ <c oughs> นี่ยยมหวังตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้หวังตรงนี้ก็คือไม่ได้หวังทางโลกละก็แสดงว่ายมไม่ได้วางจิตแบบ ขั้นที่หนึ่งที่ผู้เจ้าบอกใช่ไหมนะอย่างนี้ค่ะกล่าวในมสัส ก, การท่านพัฒนาแล้วก็ท่านพระพิสษุกทุกๆนะคะ <jam. S 1> จะสอบถามนิดนึงนะคะในเรื่องของความเป็นสัตา น, างนะะังค่ะคือความเป็นสัตา น, านังคือการที่เราเข้าปียึด คือหนูอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะคะคือแค่เราต้องการไปยึดในขันทั้ง5้าเท่านั้นใช่ไหมคะถึงเรียกว่าสัตตานันหรือว่าต้องไปยึดที่ขันที่เป็นรูปแล้วถึงเป็นสัตตานังคะครูเจ้าบอกขันห้าต้องยึดต้องเข้าไปยึดตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะความพอใ จ, ค ว, อใจความพอใจอันใดพอใจในอะไรขันใดขันหนึ่งความพอใจ <5. S 2> อันใดราคะกำหนัดนันทิเพลินตัณหาอยาก ในอะไรในขันธทั้ง5ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณวิญญาณด้วยนะแสดงว่ามันไม่ใช่วิญญาณแต่มันไปยึดวิญญาณมันกําลังไปพอใจไปเพลินนะ่ะไปอยากในวิญญาณเห็นนะต้องเก็บรายละเอียดคําพูดของพระองค์หมดเลยดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยโยมต้องเก็บทุก ค, คําแล้วยมถึงจะเข้าใจนั่นคือโยมต้องอ่านทวนอ่านซ้ําอ่านทวนเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละแล้วยิ่งแกะยิ่งเข้าใจ ค่ ะ, อะ ข, อขอบคุณค่ะสงสัยต้องค่อยๆแกะไปนะคะค่ ะ, อะขอบคุณค่ะต้องเข้าใจขันห้าว่าขันห้าคืออะไรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยขันห้าต้องเข้าใจระบบสังสารวัตสังกตะคืออะไรอสังกตะคืออะไรนะอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สังคตามันก็คืออสังกตะเพราะระบบมันมีแค่นี้เนี่ย พ uh huh. ระพุทธรูปในพุทธวจะนะไม่ได้มีบอกไว้แต่มีสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือถูปราระหะบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้นะสถูปก็คือในส่วนที่ใช้ในการเผาศรีละของเขาเนี่ยนะสถานที่นั้นเนี่ยสมควรทำสถูปนะให้ สถูปจะมีรูปร่างยังไงก็จะเป็นเนินดินเป็นเจดีย์หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะนั่นก็คือสิ่งที่ <c oughs> ที่พระองค์ได้บอกไว้ <c oughs> เพราะเหตุแห่งการที่ว่าถ้าบุคคลนั้นเข้าไปถึงสถูปแห่งบุคคลนี้แล้วเนี่ยจิตจักเริ่มใส่เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ได้สีบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้มีใครบ้างอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพทเจ้า ตถาคตาสาวกูสาวกของตถาคตพระเจ้าจักรพรรดินอกนั้นไม่ต้องมี่แค่สี่บุคคลผู้สมควรทำสตุภยัยนั้นตถาคตาสาวกสาวกตถาคตมีใครบ้างภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาลงไปอีกอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรผู้เจ้าบอกว่าคือผู้มีสินห้าหรือมีอุโบสถ8ปประการ นั้นญาติพี่น้องเราเข้าขายตรงนี้หรือเปล่าเข้าขายก็ทำได้เนี่ยทำสถุปภัยทำใจดีให้ได้แางนี้ท่นี้พระพุทธรูปเนี่ยมันจะมีนัยยะอย่างนี้ว่าโโยมมีแบบไหนถ้ายมมีแบบรู้สึกว่า รูปปั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มิจฉาทิฏฐิทันทียมไม่ได้โสดาบันนะแต่ถ้าราบว่าเป็นเพียงเครื่องระลึกถึงก็ยังพอเป็นโสดาบันได้เพราะอะไรเพราะโสดาบันเนี่ยจะไม่เข้ามาสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลเมื่อยมเห็นว่าอันนี้คือก้อนศักดิ์สิทธิ์ยมก็จะไปขอไปคิดว่าสิ่งนี้ช่วยอะไรฉันได้ สิ่งนี้ดนบันดาลได้ผัวเนี่ยเข้ามิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งทันทีกรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมีเทวดาบันดาลมีรูปปั้นบันดาลมีเครื่องรางของขลังมีน้ําสักดสิทธิ์ไฟสักิสิทธิ์บันดาลมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนัเพราะฉะนั้นมันเฉียดกันนิดเดียวก็เลยดูว่าทำไมพระเจ้าไม่พูดเรื่องนี้ไว้ลอยเป็นกลางกลนงนันเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิง่ายมากนอืม มิจาทิฏฐี่4อย่างนะ่ยที่โสดาบันต้องลอดได้คืออะไรกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมและสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมและสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนี่คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนะโยมโยมเช็คโสดาบันก่อนเลยอันนี้เป็นคนขั้นต้นนะเรายังพึ่งพาอะไรหรือเปล่าแบบที่1ตัดไป ถ้าโยมไม่พึ่งพาอะไรละพึ่งตนพึ่งธรรมละทนี้มาเข้าสู่แบบที่สองกรรมหรือสุทุกข์เกิดจากตนเองบันดาล น, นะอา้าวแล้วตนเองไม่ใช่เหรอแล้วใครเป็นคนทำกรรมล้ว ก, ก็เราทากรรมไงกรรมด้วยกายวาจาใจของเราเนี่ยก็ต้องถามต่อว่าลูกตาเป็นของเราหรือเปล่าจมูกเป็นของเราไหมมีคนถามพระศาสดาว่าใครเป็นคนอยาก ผู้เจ้าบอกถามผิดคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรเราถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนรู้สึกแล้วใครเป็นคนสัมผัสแล้วลูกตาเป็นของใครหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครผู้เจ้าปฏิเสธลวดหมดเลยนะบอกเธอถามผิดนะคาถามที่ถูกต้องต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรหรือผัสสะเกิดจากอะไร หรือสลายเจตนะเกิดจากอะไรไม่ใช่ของใครเนีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้จึงเกิดขึ้น <lim b liber dade> ถ้าธรรมชาตินี้ไม่มีธรรมชาตินี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้จะดับไปดูดิพระศาสดาเนี่ยไม่ได้มองว่าสิ่ง น, นี้เป็นตัวเราของเราเลยแต่มองว่า ธรรมชาติหนึ่งเกิดธรรมชาติหนึ่งจะเกิดธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิดธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิดหลักของการที่ธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิดเนี่ยเรียกว่ากฎอิทับปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่อะไร เพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายชนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษะเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุบทานภพชาติชลาวรณะเหตุเกิดของความตายเกิดมาได้ยังไงเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นดังนั้นโสดาบันจึงไม่อาจมาสู่ครองแห่งทิฏฐิว่า กรรมและสุขทุกเกิดจากตนเองบรรดาลเพราะตนเองเป็นเพียงธาตุตามธรรมาชาตนะิที่อาศัยการเกิดขึ้นพรนะศา ส, สดาจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลพึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเห็นนะพูดเป็นปฏิจจสมบัติว่ากายของเธอเนะี่ยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะนะนั่นนี่คือมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างนะที่อยากให้พวกเราทำความเข้าใจ <c oughs> ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ผิดแบบที่สามหรือไปคิดว่ากรรมเกิดขึ้นขึ้นมาเองลอยๆอยโดยปราศจากสาเหตุผิดอีกนะอ่มั น, ะนะนไม่ง่ายเหมือนกันนะตรงนี้เอาไว้ข้โกนดีๆนะนะ เหอือนะฮลกับกุญขอยังไงอ่ะก็คือไปไหว้แล้วเพื่อจะขอขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ค no ือเป็นก็นี่ไงเพราะเขาคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลได้ไงเนี่ยแล้วภูภูเขามันบรรดาลอะไรได้อะยมไปพึ่งภูเขา มันก็ตรงจากที่พระเจ้าบอกเลยมนุษย์เนี่ยเมื่อถูกภายหรือความโรกรธคุกคามแล้วย่อมเข้าถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดข้อสายที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกได้เห็นนะภูเขามันบันดาลอะไรไม่ได้นะโยมน ะ, ะถ้าโยมบอกภูเขาบันดาลได้ป่าไม้บันดาลได้นะ เทพบันดาลได้เอาแล้วใครบันดาลเทพไปสู่นรกไงไข่ใหญ่กว่าเทพอีกกฎอิทัปปัจชะตาไงใช่ไหมว่าเทวดาพรหมทั้งหลายเคยกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุจริตหรือสุจริตมาก่อนก็เป็นตัวส่งผลให้เขาไปสู่ภพนั้นๆต่อไปอย่างนี้เพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยยังเอาตัวรอดจากความแก่เจ็บตายไม่ได้เลย เพราะองค์จึงให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเอาตัวรอดจากความตายได้แล้วนะทำไมเราไม่พึ่งไปพึ่งใครที่ยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมเนี่ยสาระที่ถูกต้องนี่ยก็ขอโอกาสครับอาจารย์พอดี <c oughs> มีเพื่อนทางบ้านฝากคำถามโยมาครับก็ เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเมื่อจากว่ามีผู้ศึกษาพุทธวิญญมากขึ้นแล้วก็จริงๆเ่ยเห็นคงวรนนาป่าพงมีการทำหนังกำลังจะมีการทำหนังสือทานออกมาใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีโครงการต่อๆไปเนี่ยอาจจะเสนอเป็นอาจจะเป็นคู่มืออุบาสิกาจากพระโอษอย่างเงี้ยครับเป็นพุทธวิญญาณ ล, วลวนน้วนๆอย่างเช่นว่าทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าวันองานมงคลงาน งาโศพอย่างเงี้ยต้องทํายังไงบ้างอะครับอยที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวันมาคบูชาเนี่ยเรียกว่าอะไรคือเหมือนเคลียร์ไปเลยครับว่าอุบาสุกอุบาสิกาควรรู้อะไรบ้างอะครับเหมือนเป็นปับับพื้นฐานนิดนึงอะครับก็นี่ตอนนี้ใช้ตัวคารวะชั้นเลิศก่อนได้อ๋อนี่ยว่าคารวะชั้นเลิศความเป็นอยู่ในคารวะชั้นเลิศเนี่ยมีหน้าที่อะไรทํามาให้ละหนึ่งเล่มครับนะ ต้องรู้หน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรบุตรต่อมารดาบิดาอาจารย์ตอบศิษย์ศิษย์ต่ออาจารย์นายต่อบ่าวบ่าวตอนายคุณทําหน้าที่กันอย่างไรการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดทําได้อย่างไงให้ธรรมะสี่ประการอย่างนี้นะยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาอย่างมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลและสมบัติยังมารดาบิดาผู้มีความตระนี่ให้มีจาระสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสมบัติ สิ่งผู้เจ้าเทียบขนาดว่าเธอแบกพ่อและแม่ด้วยบาสสองข้างท่านอุจลปรปัสวะลถเราตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชี้ว่าตอบแทนนะยกพระเสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนต้องตอบแทนด้วยธรรมสีประการเนี่ยมีให้หมดในคารวาชั้นเลิศนะหากินอย่างไรนะเป็นธรรมไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนาด้วยแบ่งปันพพเพราะกระซับควาเป็นบุญด้วยไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากมันด้วยนะ เป็นเนื้อที่นอนจมบวงแต่ไม่ติดบวงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบวงเมื่อนายพลานมาจะจับเอาเนื้อเนื้อตัวนี้ก็กระโดดออกไปได้ด้วยการเห็นอะไรสามอย่างแค่นี้เห็นอสารธาลดอร่อยเห็นอาทนวะคือโทษเห็นนิสรณะอุบายเคลื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงคลาวาสคนไหนเห็น3ามอย่างนี้ชื่อว่าเธอเป็นเนื้อที่นอนจมบวงแต่ไม่ติดบวง จมบวงบวงคืออะไรบวงคือกรรมคุณห้าโยมนอนจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเหตุปัจจัยอะไรสามอย่างนี้นมีให้พอสมควรอยู่ก <c oughs> ็คือคือที่โยมจะชี้ก็คือว่าในส่วนคารวาชะเลอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีเรื่องบางเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันเยอะออนะฮะแต่ถ้าแบบมีเพิ่มอาจจะเป็นซีดีก็ได้ฮนะรวบรวมพวกอะไรอ่ะที่ที่พระอาจารย์พูดถึงอ่ะพว สิ่งที่เข้าใจผิดกันเยอะอย่างอย่างอย่างอะไรนะมาคาบูชายเนี่ยเอออาจจะรวมเทพเอาไว้เหมือนกับธรรมะคนเจ็บไข้ครับมันเป็นประเด็นที่แบบว่าก็จะได้แบบว่าเออเอาไปฟังไว้ส่วนหนึ่งครับเหมือนเหมือนแก้ทิฏ ฐ, ฐิแบบว่ามันต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะครับกําลังทําทุกอย่างตอนนี้งานมันเยอ ะ, ะเหลือเกินค่อยๆทาเขาก็เสริมนิดนึงฮะเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยจริงๆโยมก็ตีความว่าใน ครั้งสุดท้ายการปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดว่าไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะด้วยนี่ครับพวกเธอทั้งหลายด้วยวเธอทั้งหลายก็คือทั้งหมดเลยอุบาสกอุบาสิกาวิกษุวิกษุณีมไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจครับแล้วก็พยมคืออันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์นิดนึงอะ่ะเขาบอกว่า <ๆ S 1> จริงๆแล้วพระพุทธรูปนี้ก็คือว่าเป็นการกลืนศาสนาของฝั่งฮินดูด้วยครับ เพราะว่าพราหมณ์สมัยก่อนเนี่ยพระพรมเขานับถือพระพรหมอื่นจะไปสนใจเลยเอาพูดเฉพาะคำพูทธะใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นการตีความถูปาระเจดีเนี่ยมันมีการตีความเจดีให้เข้าข้างตัวเองว่าโอเคพระพุทธรูปเป็นเจดีอย่างหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยใช่คือยมมองตรงนี้ไว่าบางทีเราดูพจนานุกรมภาษาไทยเนี่ยคนแปลเขาครอปรุงแต่งไว้เองด้วยไงเพื่ออะไรเพื่อก็เสียดายอ่ะเสียดายพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งได้ไง ใช่เพราะงั้นเลยก็เลยว่าเออแต่ไม่เอาสิ่งอื่นเหป็นสารณะก็ชัดเจนะแต่ไม่ได้ห้ามโดยตรงไงฮะเพราะสมัยนั้นมันไม่มี อ, อืโยมกราบต้นไม้ได้ไหมล่ะก็เหมือนกันกราบผนังได้ไหมแล้วเวลาโยมกราบไปที่ผนังเขาบอกโยมเนี่ยไปไหว้ผนังผนังศักดิ์สิทธิ์การไหว้เนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะเท้าสักกาเทวราชปนมือไปทุกทิศเลยเท้าสักกาไหว้ทิศเหรอไม่ใช่ ไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้ผู้มีจิตตั้งมั่นไหว้พระเสขาไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเจตนาเวลาไหว้เนี่ยอยู่ติดเจตนาภิกษุเดินเข้าป่าไปแบกโพธิลูกไปด้วยปะไม่ได้แบกนี่เดินไปเสร็จจะนั่งสมาธิเออก้มกราบพระเนีก้มกราบกราบใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจตนาเขาทําอะไรนั้นเราต้องดูที่ตัวเจตนาไม่ใช่เห็นเขากราบแล้ว ขวางหน้าเขาอะไรต้นไม้โอสงสยัยไหวนางไม้เนะี่ไม่ใช่นะอ่าก็เลยบอกว่าก้อนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีผูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะทุกอย่างเป็นเพียงกฎอิทัปปัจจิตตานะอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทเนะี่ยธรรมะตรงนี้ต้องเปิดเผยเยอะๆธรรมะพระศาสดาแล้วทีนี้จะมีอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไมอ่า ทีนี้ในคารวาชเลอร์นเนี่ยผมได้อ่านส่วนหนึ่งอะ อ, อริยอสอนคารวาใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยอริยสาวกแล้วก็ ม, มีอยู่อันนึงบอกว่ามีเรื่องของบูชาเทวดาด้วยเรียกว่าเทวดาพลีไหมฮะเออสดอริยะสาวกนี่สดาับันขึ้นไปยังบูชาเทวดาอยู่เลยครับเทวดาบูชาเทวดาบอกแล้วไงแงมุมอะไรบ้างอแอบเมตตาอะไรบูชาเทวดาเนี่ยเขาบูชาอะไร ไปดูเทวานุสติการบูชาเทวดาต่า ง, างๆเนี่ยพระศา ส, ะสะดาบอกอะไรบอกว่าศีลใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศีล น, น, นั้นเราก็มีศรัทธาใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทําให้เขาไปเป็นเทวดาความเพียรนั้นเราก็มีเขาบูชาธรรมะที่ทําให้คนไปเป็นเทวดาครับ <C' S 1> แล้วบอกรอเราก็มีอ่ะเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเรามีศีล มีความเพียรมีศรัทธาที่พอต่อการไปเป็นเทวดาเนี่ยเทวดานุสติของผู้เจ้าเราเนี่ไม่ค่อยอ่านรายละเอียดกันไงเพราะไปอรายละเอียดเอาไปคนละเรื่องอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยเออเห็นไหมมีคนถามมาครับก็เลยสะกิดใจนิดนึงอก็คือว่าอย่างนี้โสดาบันเ <c oughs> นี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ทิฏฐิหกบสอเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นแว บ, บเดียวในจิตใจเลยใช่ไหมครับสมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิก็คือไม่มีเลยความเห็นไม่มีความเห็นผิดเลยความเห็นโสดาบันเนี่ยสมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์ในส่วนไหนนะสมบูรณ์ในส่วนว่าขันท่าเนี่ยไม่เที่ยงต่ําสุดนะคือมีความเชื่อมีจิตน้องไปอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโสดาบั น, นรู้หมดทุกเรื่องแล้วยังไม่รู้นะไร้วางได้ทุกเรื่องไม่ใช่ รอยว่างเฉพาะทิฏฐิคือความเห็นในส่วนขันธ์ทั้งห้านะคุณสมบัติของสัทธานุสาลีโสดาปติมัค ต, ต่ำที่สุดคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เทียงต้องชี้ไปที่ตรงนี้ไม่ใช่โสดาันรู้หมดทุกเรื่องนะ แต่ว่าจะไม่มีความเห็นผิดไปในมิจฉาทิฏฐิทั้งห2สิบสองเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนนี้ในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะนั้นต้องชี้ไปที่ตรงนี้นะขอบคุณครับกราบพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ได้ดูข่าวเมื่อมาเดือนที่แล้วไหมครับที่ เ ป, เป็นข่าวว่ามีเด็กสี่คนติดอยู่ในบ้านร้างแล้วไปเจออะไรดีเข้าอย่างเงี้ยครับทราบข่าวไหมครับ ค, คิดว่าในนี้ก็คงในที่นี้ก็คงคงุณทราบข่าวมานะครับเนบี่ยวผมก็เล่าย่อไปครับ น, น, นั้นก็คือเด็กสี่คนเน่ยก็คือไปเจอในหนังสือพปมพ์เาเรียกว่าผีนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเคยจะถามพราจายว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยใช่เรือ่องอสุรกายเปล่านะครับก็คือเขาก็คือมามาหลอกเด็กสี่คนครับที่เด็กเล่าให้ฟังว่าแบบ ทำตัวแบบมีเลือดไหลแล้วครับแล้วก็คลามตามผนังตา ม, านนตามเพดานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ก็ผีก็บอกว่าไม่เอาไม่ต้องการแล้วคือเรียอสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเจอเราเจอสขากายอย่างงั้นเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรครับอยู่กับลมหายใจ <laughs> อยู่ลมหายใจเจริญอาณาปานสติ กูเจ้าบอกเข้าชาน1น3 4หรือเจริญกายคตาเสียมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งเครื่องรางของกังอะไรเลยสุดยอดของเครื่องรางของกางคือเอาจิตเรากลับมาอยู่พบของตนคือกายนี้ครูเจ้าเปรียบเทียบออกเทวดากับอสูร ล, ลบกันเมื่อฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายนั้นจะรีบกลับเข้าสู่พบของตนแล้วอีกฝ่ายจะทาอันตรายกันไม่ได้ แล้วองค์ก็เลยบอกภิกษุเนี่ยให้เธอเนี่ยนะทำตัวเหมือนเต่าเนี่ยหดหัวแขนขาเข้ามาในกระดองซะน ะ, ะตั้งจิตไว้ในกายหรือเข้าชานหนึ่งสมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ น, นี่สอนไว้แล้วเราไม่หยิบมาใช้ไงแค่โยมเนี่ยกลับมาเจริญอาณาปานสติก็ไม่มีอะไรแล้ ว, ลวรักษาลิบุตรนั่งสมาธิอยู่ ยักษ์เอากระบองมาตีศีสันยังไม่เป็นไรเลยเนะ่ยโมฆะลานะนึกว่าแบนไปแล้วเนะี่ยลุกมาดูมาอัสารีบุตรเป็นไรไหมบอกไม่เป็นไรเจ็บศีสานนิดหน่อยเนะี่ยบอกโอ้ท่านทำอะไรอยู่เนี่ยเนะยักษ์ตีแรงขนาดภูเขาแตกทำลายเนี่ยนะบอกผมนั่งสมาธิอยู่เนะอืมวางจิตแค่นี้เนะี่ยศักิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วจิตเราเนี่ยกลับมาสู่พบของตนเนะี่ม ง่ายๆนะแล้วสิ่งที่เขาเห็นนี่ใช่อยู่ในเรียกว่าศีลกาไหมครับพุเจ้าบอกจะไปสนใจเรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะพระองค์เล่าเนี่ยบอกว่าบุรุษคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ริมสะบัวเห็นกองทัพช้างมาลดผลเดินไหลเข้าไปในสายบัวโอ้ยฉันบ้าแล้วเนี่ยเดินออกมาตะโกนเอเราบ้าแล้วเห็นในสิ่งที่คนไม่เคยเห็น ชาวบ้านก็ถามว่ <_ d ata> เห็นอะไรมันก็เล่าให้ฟังว่า <_ d ata> เออเองอาบ้านแล้วไม่มีใครก็เห็นหรอกถ้ายมไปตามรู้เรื่องพวกนี้ไม่มีจบเดี๋ยวมันจะเห็นตุ๊กแกเห็นจริงจกแปลกประหลาดบ้างอะไรสารพัดนะอย่าไปสนใจผู้ชาบอกเอาจิตกลับมาที่นี่นะอา่ามันมีเรื่องให้เห็นแปลกประหลาดเยอะแยะไปหมดดูนักวิทยาศาสตร์ไปส่องดูดวงดาวดูจักรวาลดูกาแล็กซี่ตายไปกี่คนแล้วยังรู้ไม่หมดเลยใช่ปะออ ภิกษุตายไปสี่ลูกนั่งดูสังสารวัตรนะพอดูอดีตได้ก็มานั่งดูดูได้วันละหนึ่งแสนกับนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีจนตายภิกษุลูกที่สองก็มานั่งดูต่อนะดูได้วันละแสนกับเหมือนกันตลอดร้อยปีจนตายไปคนที่สามก็มาดูดูวันละแสนกับแม้อยากจะดู ม, มีอะไรมันน่าสนุกกับอสุรกายนี่เยอะเลยเห็นไหนะมันยังตายเปล่าเลย ใช่ไหมตายไปสี่รูปแล้วผู้เจ้าหยุดพยากรนะบอกในความไร้สาระของสั่งสำรัดไม่มีประโยชน์อะไรโย่ตามรู้ไปไอหนี่เหลยออะไรอสุรกายนี่เหลืงหนี่เปดเป็ดเป็นยังไงอนวันย้ายไปนะไม่ทันมารู้ด้วยศาสตายก่อนวันดีอดเลยนะอ่านไม่ไปสนใจนะพระอาจารย์ครับแล้วเราเสอบสัสพนคนจะบวชคือ ฐาน hmm. ะไม่พอเราสนับสนุนเขาเี่ถือว่าเป็นการให้ทานใช่ไหมครับสนับสนุนคนจะบวชเหรอครับสนับสนุนอยังไงเก็คือหมือว่าเวลาจะบวชคืออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างอย่างนี้แล้วเกิดฐานะเขาไม่พอแต่เราช่วยเขาอย่างเงี้ยบาทจีวรน่ะหามาสิเพอาตามวินัยผู้เจ้าให้หาบาทรกับจีวรมาก็สองอย่างก็บวชได้แล้วนี่บาทไม่มีตังค์ซื้อก็เอาดินปั้นเอาบาทดินน่ะผู้เจ้าอนุญาตนี่ แล้มาเผาจีวรก็ทําไงผ้าบงางสกุลนะผ้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าห่อศพอะไรมาต้มมาซักเอาตัดเย็บมานี่ใช่ไห ม, มแล้วเหมนี้คนที่จะบวชที่วัดนาป่าพงนี่บาสนี้เอ า, าจากไหนครับมาจากไหนก็หามาให้เขาหามาให้เขาถามว่เ า, า, า เ, ออเอาเขาถามาเองเออตามวินยัยเราก็อยากจะให้นะแต่ผู้เจ้าบอกให้เป็นหน้าที่ของกุลบุตรนะหามาออเราก็เลยให้ไม่ได้ไงใช่ไหมเป็นหน้าที่เขาบอก ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยไม่บวชคนบวชผู้ไม่มีบาทกะจีวอนนะเนี่ยต้องหามาเองนะอ๋อคือตีว่าก็ต้องไปหามาเองกันบาทกะจีวรนสองอย่างผู้เจ้าเป็นคนบรรัญญัติภิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างไม่มีภาระอะไรมีแค่บาทกะจีวรง่ายอ๋อครับแล้ว ตรงนี้อ่อแล้วก็อีกอย่างนะครับที่บอกว่าทําทาแล้วบอกว่าคืออันนี้ส่งาว่าจะอาจจะมีโพกผ้าผิวพรรณงามอะไรเงี้ยก็คือตอนทําทาเ น, นี่ยคือเราต้องหวังหรือไม่หวังครับก็คือถ้าเราไม่หวังนี่สิ่งพวกนี้มันมาได้เองแบบ อ, <มา S 1> อัตโนมัตม <า S 1> เิเหรครับอัตโนมัตอิออโต้เลยอ๋อไม่ต้องมีหวังมันไมครับไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังครับพระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุ่ต้องการคันน้ํามันต้องการน้ํามัน บุตรคนนี้เอ า, มาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันเขาต้องได้น้ํามันบุตรอีกคนเอ า, มาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ําเอามือคันมเล็ดทรายเขาไม่ได้น้ํามันบุรุษคนที่คันน้ํามันงานเนี่ยตราบใดที่เขายัางเอามือคัน้นเมล็ดงาปะพรมน้ําเอามือคันถึงจะทําความไม่หวังเขาก็ต้องได้น้ํามันถึงจะทําความหวังเขาก็ได้น้ํามันทําความหวังก็ตามทําความไม่หวังก็ตามก็ได้น้ํามัน ทำความหวังก็หาไม่ได้ทำความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ยังได้น้ํามันอยู่ดีนะเพราะเหตุแห่งการที่เขาสร้างนะ่ะมันถูกต้องดีแล้วนะโยไม่อยากได้นิพพานเลยปฏิบัติมรรคแปดดี ด, ดีได้แน่นอน <c oughs> นะอืมสร้างเหตุอยู่ที่เหตุนะขอบคุณมากครับอืขอกตาดพระอาจารย์ครับนะะฮ ออไม่ทราบว่าขอถามเป็นความรู้นะครับว่าจากการศึกษาพุทธวิจนะเนี่ยเราสามารถทราบได้ไหมครับว่าที่พระพุทธองค์ทรงตัดเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์แล้วก็มีพระปฏิเจ้าพุทธเจ้ากี่พระองค์ครับเนี่อีโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยบอกแล้วโปรเจกต์มันเยอะแล้วกันอตอนนี้หนังสือที่จะเตรียมทําต่อไปก็คือเรื่องวิเนัยร์สินของพระเราจะไล่เรียงทั้งสองพันกว่าข้อมาให้ดูเลยรึทั้งหมดนะ ทีมพระกําลังทํำงินเยอ่นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเช่นอภิธรรมคืออะไรนะคำตอบอภิธรรมที่แท้จริงตามพุทธวจนะก็คือโพธิปัจิยธรรม37มี7หมวดธรรมสติปัฏฐาน4สมปรทาน4อิธิปาสีอินสี่ห้พละหโพชฌงเจ็อริมักเมืองแดังนั้นอยากเรียนอภิธรรมนี่ไปเรียน7หมวดธรรมนี้ใช่ไหมที่เป็นพุทธวจนะไม่ใช่ไปเรียนคําแต่งใหม่อย่างนี้ก็ค่อยๆแกะเรื่องใหญ่ๆก่อนใช่ไหม ก็จะได้ทราบแล้วก็เรื่องพบภูมิเนี่ยนะอย่างที่เพิ่งออกมาให้ดูพังพบภูมิที่เราแปดตามวัดกัน31พบภูมินี่คำแต่งหมายอีกนะพบภูมิตอนเนี้ยอันนี้ถูกความถูกต้องประมาณ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์้อได้ที่ฟาดไป81แล้วยมนะนรก18แดนะดิลจา 5, 20, ร์นะเปรตวิสัย2 8มนุษย์เนี่ยเทวดา26เข้าไปแล้ว ทั้งหมดนี้มีพุทธวจนะทั้งนั้นเลยไม่ที่ไม่ใช่พุทธวจนะไม่เอานี่เฉพาะเอาคําพระเจ้าอย่างเดียวนะป่าไปเท่านี้แล้วน ะ, ะนั้นเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยมันจะเปิดทางที่ถูกปิดโยมอะไรที่ผิดเนี่ยมันจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปหมดเลยพระเจ้าถึงบอกขอให้ใช้คําพระเจ้าเท่านั้น น, นะแล้วเรื่องพวกนี้ไม่มีสาวพวกคนไหนรู้เราโยมนี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าอนุรุทธะยังไม่รู้อนุรุทธะยากต้องมาถามพระเจ้าเลย อบนี้ยังไงด น, นี้ยังไงเลื่ด้านทิพยยจากักขู่สมพระบุตรเจ้าว่าจริงๆแล้วมีกี่พระองค์ใช่ไหมอ่า อ, อย่างเงี้ยเออไออีกสัก ข, ข้อนึงครับ อ, อพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างการมีการที่พระพิสุสงฆ์มีสมณศักดิ์เนี่ยทจะเป็นการขัดต่อหลักพุทธวจนะในแง่วุมไหนบ้างหรือเปล่าครับก็พระเจ้าตรัสการนาคิตาว่ายศยต้องมาเกี่ยวข้องกับเราเลยเราอย่าต้องไปเกี่ยวข้องกับยศเลยนะ แล้วก็ทิ่ตัดเรื่องกับเกี่ยวกับลาบสักการะและเสียงยันยอนเนี่ยพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงยันยอเป็นอันตรายที่ทาลุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านะแต่ทีนี้ทํำยังไงภิกษุมีเอกลาบชื่อเสียงยืนยันเข้ามาเกี่ยวข้องพระองค์บอกว่า อันหนึ่งลาบสักการะและเสียงนยนยออันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอนะฮะและ้วพระเจ้าวางจิตอย่างไรตัวอย่างของพระเจ้าพระองค์บอกพระองค์เคยวางจิตไว้อย่างไรนะพระองค์ก็กลับไปวางจิตไว้อย่างนั้นเช่นพระองค์เคยเจริญอานาปานาสติพอได้ผัสสะกระทบมีคนมาสรนเสริญเยนยอพระองค์พระองค์รับผัสสะเสร็จพระองค์ก็กลับมาเจริญอนาปาเหมือนเดิมแค่นั้นเองง่ายมไหม สอนวิธีเขี่ยวข้องอคคไว้อขออนุญาตค่ะครพระอาจารย์คืออยากจะสอบถามค่ะฐานะของผู้ให้เนี่ยค่ะเป็นมนุษย์ได้อย่างเดียวหรือว่าเทวดาก็ให้ทานได้ด้วยค่ะได้ได้หมดนะได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ ค่ะแล้วอย่างสมมติถ้าคุณสมบัติโซดาบันของเทวดากับมนุษย์ผู้เจ้าบอกไว้เหมือนกันใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันแล้วอย่างถ้าเป็นเทวดานี่เขายังไงอะคะถาวายข้าวน้ำผ้าระเบียบของหอมยานพาชนะอย่างเงี้ยเขายังไงอะคะอาจารย์ก็มีสามารถสามารถทําได้ท <ำ S 1> เทวดาก็ทําบุญได้นะอ่แ ล, แล้วก็เทวดาก็พัฒนาขั้นของตัวเองจนเป็นอริพุทคนแล้วก็หลุดพ้นได้เหมือนกันมีตัวอย่างทั้ และอย่างสมมติถ้าเกิดแม่ของโยมเนี้ยค่ะคือแบบเวลาที่ทําทานจะเป็นถวายเงินอย่างเดียวค่ะข้าวน้ําผ้านี่จะจะคือไม่มีเวลาเตรียมเลยอะค่ะคือถ้ามานี่ก็คือจะเป็นแบบง่ายเลยเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ â, แต่ว่าเวลาให้นี่ก็คือมีศรัทธาแล้วก็คือมีฝ่ามืออันชุม่มแล้วก็คือเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างนี้มีนับว่ามีผลใหญ่มีอันนสงอยงใหญ่ไหมก็ <ซะ S 1> ได้เพราะการให้เงินทองกับพิสุแต่ก่อนมีไหมมีม ผูญ้าบอกมีอยู่ขบดีที่เขามีศรัทธามอบเงินทองไว้กับกับปปิยาการกบุคคลผู้สมควรนะให้ภิกษุเนี่ยยินดีในกัปปะยพันจากกัปปยาการกนั้นได้นะแต่พระองค์มิได้ให้ยินดีในเงินและทองโดยปริยายใดๆเลยอย่างนี้มันก็สามารถทำได้มีตัวแทนเป็นผู้รับบอกเจตนาให้กับตัวภิกษุแค่นั้นแล้วภิกษุก็ไปร้องขอกับผู้ที่รับแทนไว้ใช่ห การร้องขอให้ทํำยังไงได้บ้างเงื่อนไขถ้าไปร้องขอแล้วก็ให้ก็จบไปถ้าเข้าไม่ให้เนี่ยไปทวงด้วยวาจาได้สามครั้งถ้าทวงด้วยวาจาสาครั้งแล้วก็ยังเฉยเฉยก็ให้ไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5้าครั้งหครั้งเป็นอย่างมากห้ามพูดน ะ, ะยืนถึง6ครั้งแล้วก็ยังเฉยเฉยหยุดปล่อยวางได้น ะ, ะถ้าเพียรพยายามให้ยิ่งกว่า น, นั้นเนี่ยผู้เจ้าปรับอาบัตตัวภิกษอุอย่างนี้ ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรนนั้นให้สําเร็จเป็นนิสักยัปปาจิตตินะสิ่งที่พิสูจน์ทำได้คืออะไรกลับไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินที่ให้มานะ่ะไม่สําเร็จประโยชน์จงมาทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยนี่เป็นสามิจกรรมในเรื่องนั้นให้ฆราวาสไปทวงกันเอง <c oughs> นะเนี่ยครูเจ้าบอกสอนไม่หมดนะแล้วอย่างสมมติสมุติเราให้ทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ อย่างสมมุติอยากจะซื้อที่ดินถวยวัดแต่บอกว่าให้โอนไปอะค่ะคือลักษณะการให้ทานอย่างนี้คือไม่ได้ให้ด้วยมืออะค่ะคือแบบเป็นการโอนอย่างนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้ไหมคะเก็ตกหล่นเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรมั้งหมายจะเก็บอนิสงส์ให้เกลี้ยงเลยนะอยากได้ให้ครบค่ะค่ะแล้วอย่างระเบียบของหอบระเบียบของหอบอย่างนี้ค่ะคืออะไรอะคะก็อย่างพมลัยเนี่ยพงมลัยอ่า อยางน้ำอบอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ได้ไหยคะ ก, ก็ได้นะคือโย่มถวายมาได้หมดอะแต่พระจะเป็นคนพิจารณาเองว่าใช้ได้หรือไม่นะนะนั้นดูบางทีคนเขาถวายของที่ไม่สมควรแก่พระเนี่ย <c oughs> มีอยู่คราวหนึ่งเขาก็บอกเนี่ยเขาคิดว่าของเนี่ยดีที่สุดกับเขาละนี่ยเขาอยากถวายพระเจ้าแต่เขารู้ว่าของนี้ไม่สมควรแก่สมณะเนี่ยพระเจ้าช่วยรับให้เขาหน่อย ผู้เจ้ารับไหมรับแต่เขาไม่ได้บอกต่อว่าผู้เจ้าไปใช้หรือเปล่าหมอนข้างสีแดงผ้าม่านสีแดงนะเตียงต่างโอ้โหอย่างดีเลยทุกอย่างเลยแต่เขามีของเขาอยู่แค่นี้แล้วเขาเจอผู้เจ้าโอ้โหเขาอยากถาวายอะไรเกินแต่เขาเอะนะมันก็ไม่ควรแก่สัมนาณะนะผู้เจ้าก็เราก็ดูตัวอย่างว่าเออผู้เจ้ารับไหยเออรับนะภิกษุรับของหอมมาแล้วทำยังไง ก็งงอ่ะมาถามผู้เจ้าทำยังไงดีกับพวงดอกไม้อ๋อผู้เจ้าบอกเอาไปตั้งไว้ริมหน้าต่างก็คงจะได้ประโยชน์จากลมพัดโชยมาได้กลิ่นหอมหน่อยนะอ่าได้แป้งมาทำยังไงเอาไปวางไว้ที่บานประตูบานหน้าต่างอันนี้คงเป็นที่มาของการเจิมเจิมเนี่ยนะใช่ไหมบอกให้เอาไปวางเฉยๆไม่ได้ไปวนๆเนี่ยนะวันนี้ที่มาที่ไปหน่อยขอบพระคุณจ้าค่ะ การวิศวกรรพระอาจารย์ครับแล้ววัดนับพระวันตาบ่าพงนี่ฉันในบาทหมดนี้แบบนี้คนที่ถวาอยอาหารแบบเลื่ลดไปก็เหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยมีได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปรวมๆกั น, น, น, น, นอยู่ในบาทแบบกินอยู่ในฉันในบาทเนะครับอ๋อผู้ชาก็ไม่ได้มังครับก็แบ่งข้างซ้ายขวาได้เทคนิคของพระเอียงข้างโน้นข้างนี้วางาจัดมุมจัดมุม แต่บางทีมันก็ปนนกันไปอะ่ะนิดๆนหน่อยๆนะฉ <c oughs> ันภาชนะเดียวก็เป็น <c oughs> สิ่งที่ทำให้ขูดเก่าเนี่ยอ๋อะ้าับแลดว เราเห็นโทษของกามบคุนะครับแต่เมื่อเขาเสพติดไปแล้วเอายกตัวอย่างครับแบบ uh huh. คนที่สูบบุหรี่กินเหล้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันทํำลายสุขภาพแต่เขา uh huh. ติดไปแล้วอย่างเงี้ยร uh huh. ัน ก, ก็ต้องต่อไปแต่ถ้าคนทั่วไปเงี้ยก็เสพติดอยรูปรดกินเสียเราเห็นโทษแต่เราอืม uh huh. ก็เราติดไปแล้วอย่างเงี้ยคือเราทํำยังไงให้มันละเอาออกมาเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ก่อนไม่เคยติดก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมของติดได้จริงๆก็เลิกได้คืออย่าไปเพลินกับอารมณ์ไง คือเราถ้าเราไปคิดว่าโอ้โหอันนี้มันเป็นไปแล้วมันแก้ไม่ได้อย่างนี้กิเลสคนนะ่ะในสังสารวัตติดมายาวนานจะแก้ได้ไงมรรคแปดแก้ได้มรรคแปดแก้ได้ทุกเรื่องเนะี่อย่าว่าแต่บุรีเลยเนะี่ยอาสวะกิเลสหนักๆแก้ได้หมดที่ยิ่งกว่าบุรีเข้าใจไหมอืมเราต้องมีกําลังใจพระพุทธเจ้าบอกอย่าดูหมิ่นตนเองเราทําได้เนะียความคิดที่บอก แก้ไม่ได้ฉันแก้ไม่ได้ฉันทำไม่ได้เนี่ยปุจ้านเรียกว่าอตินิปัตตะสำคําตนว่าไม่ดีนะความคิดนี้เกิดมาต้องรีบทิ้งไปใช่ไหมแต่ถ้ายังแก้ไม่ได้ยมก็ไปทําความดีอย่างอื่นก่อนนะเดี๋ยวพอความดีอย่างอื่นเข้มแข็งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็แก้ตรงนี้ได้เป็นเรื่องง่ายขึ้นนะมีเวลาก็นั่งสมาธิไปก่อนสินะศีลข้อรักทรัพย์ปาน า, าทิบัตรักษาให้ดีสิข้ออื่นมีอีกต้งเยอะ พยมรักษาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจิตใจเข้มแข็งมั่นคงขึ้นเรื่อยเืยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องง่ายไปต่อไปนะ <c oughs> ต้องเชื่อมั่นว่าธรรมะของพระศาสดาแก้ได้ทุกเรื่องอสีของจีวรนะคะทำไมถึงต่างกันนะคะสีจีวรจริงๆถ้าพระ ถ้าพระใช้จีวรที่ทำตามกรรมวิธีที่ศาสดาบัญญัติสีก็จะกลืนๆ ก, กันทั้งหมดเหมือนๆกันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่สีจะออกไปในโทนเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสีที่ถูกต้องแต่บัญญัติสีต้องห้ามนะสีต้องห้ามเช่นจีวรสีดำล้วนเขียวล้วนเหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนแดงล้วนพวกนี้ไม่ได้นะงนั้นถ้าเรา ตัวภิกษุเนี่ยได้จีวรมาแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้ทํำยังไงให้มาทําลายสีเดิมซะวัดยมคิดดูนะผ้าจีวรในครั้งพุทธกาลเป็นผ้าบางสกุลเนี่ยนะต่างสีต่างชิ้นต่างขนาดต่างเนื้อผ้ากันนามาเย็บต่อกันเครื่องแบบผู้เจ้าก็จะเป็นไงถ้าไม่ยอมก็ดํากระด่างเหมือนผ้าคิรีลูเลยนะใช่ไหมแต่พอเอาย้อมทับไปปุ๊บสีจะกลืนกันหมดเลยอย่างนี้ก็เป็นเครื่องแบบของสมณะสักยะปุติยะเรียกผ้ากาสาวพัดหนึ่ง ใชที่ใดที่กุลบุตรผู้นั้นเนี่ยปลงผมและหนวดคลองผ้ากาสายะกุลบุตรนั้นจะจําสถานที่นั้นได้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสําคัญการคลองผ้ากาสายะน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบ ไ, ไม้อันนี้ก็ได้จากย้อมเปลือกมังคุดกับแก่นขคหนุนนะนั้นเราก็ใช้ธรรมชาติเนี่ยแล้วก็สีมันได้ยังไงก็ได้อย่างนั้น นั้นก็ไม่มีไม่ไม่ได้ระบุสีที่ถูกต้องนะแต่ระบุ ก, กรรมวิธีในการทำไว้ให้นะแล้วก็ทำให้พระใช้ชีวิตง่ายเราไปไหนก็ไม่ต้องพกน้ำยาซัากผ้าอะไรไปด้วยน ะ, จะเจอน้ำตกน้ำคลองลก็เอาไปซักสีที่เคลือบไปมันจะหลุดหลุดออกไปพร้อมกับขี้เหงือ่อที่ใขยขี่ฝุ่นพอปิดแห้งตากผ้าก็สะอาดอีกครั้งหนึ่งมันจะหอมแก่นไม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง พอผ้าตากโดนแดดเนี่ยจะหอมกลิ่นกันไม้ที่มันเคลือบอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วที่วานาป่าพงย้อน <c oughs> เดือนละกี่ครั้งคะเดือนละสองครั้งทุกสองอาทิตย์แต่บางทีก็เดือนสองเดือนซักก็มีถ้าหน้าหนาว <laughs> หนึ่งพื้นนุ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหม็นนะ <laughs> แล้วทำไมที่วัดของท่านพระอาจารย์ถึงไม่มีไฟฟ้าให้กับพิฆูรใช้ละคะก็แบ่งส่วนะแบ่งส่วนที่มีไฟแบ่งส่วนไม่มีไฟคือส่วนที่อยู่ของพิสุกก็ไม่จำเป็นต้องมีไฟแต่จำเป็นต้องมีน้ำนะชีวิตไม่มีน้ํานี่อยู่ไม่รอดนะน้ำเราก็จะทำอย่างดีนะระบบน้ำนะส่วนไฟก็ไม่จาเป็นก็จุดเทียนไฟฉายนะอ่า พัดลมอะไรไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องเอาไฟเข้าไปพอไฟเข้าไปมันเป็นปัญหาไงมันจะตามไปด้วยเครื่องเสียงวิทยุโทรทัศน์อุปกรณ์อะไรต่ออะไรมันจะพ่วงไปแล้วมันจะคุมยากแต่เราจะจัดโซนในการคุมทีเดียวอาเทคโนโลยีทุกอย่างอยู่ตรงนี้ใช้มาใช้ด้วยกันที่นี่เห็นกันอย่างนี้อ่าก็จะ <c oughs> จัดระเบียบตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็จากัดพิกษุที่ที่ใช้ตรงเนี้ย นะถ้าองค์ไหนมีหน้าที่ในการเผยแพร่อะไรเนี่ยก็ใช้ได้ก็จะมีอยู่ไม่กี่องค์3ามสองค์ที่เหลือก็อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติไปอย่างนี้ <c oughs> ก็เพื่อไม่ให้มันมีสิ่งที่ดึงพิกษุออกไปนอกแนวทางนะพิสุจจะได้อยู่กับตัวเองเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิได้เพนะราะหน้าที่ของพิกษุน์เนี่ยพเจ้าบอกหลังฉันแล้วเนี่ยให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิ ไปจนกระทั่งสิ้นยำแรกแห่งลาตรี น, นั้นถ้าพาทุกรูปมีโทรศัพท์ไม่ต้องเดินยองคกมแล้วคุยทั้งวันใช่ไหมนี่ขนาดไม่มีโทรศัพท์ยิ่งแอบไปลอยคุยกันตามกุตินะใช่ไหก็ <c oughs> เดินไปก็ต้องบอกเอออย่าคุกคีกันนะต้องวิเวกหลีกเล้นอะไรอย่างนี้นะอะ <c oughs> <c oughs> ิเล่มันเด้งไปหมดนะ่ะนะ พระอาจารย์ครับแล้วแบบนี้ผมว่ามันมันก็ยากครับแบบที่บอกว่าเหมือนว่ามันก็มีอาที่พระจะบอกยให้อยู่วิกเวคคุณเดียวเนี้จะพวพาที่มาบวชนะครับเมื่อแบบไม่ให้เขาคุยกันแบบนี้มันอ๋อคุยได้คุยได้ ไ, ดไม่ได้ครับ ไ, ไ, ไม่ได้ปิดปากให้ไม่ให้พูดคือการคุยกันนี่ยต้องคุยในสัมมาวาจางหรือการคุยอย่างที่เป็นไปเพื่อการขูดกร่าวกิเลสเนี่ยพะ ร, ยกกระเจ้าเลขาธรรมวัตถุสิบประการคุยเรื่องอะไรนะ คุยเรื่องมักนน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่ครุกคลีการ ม, มีความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิบุติยานทศนะการคุยสิบเรื่องเนี่ยขูดเกากิเลสให้ได้คุยได้นะอตอนที่พระอาจารย์มาที่บกเบิร์กวัด น, นี้ใหม่ๆเนี่ยเคยทราบมาว่าพระอาจารย์ก็อยู่คนเดียวตรงนี้พระอาจารย์ที่อยู่คนเดียวมานานเท่าไหร่ครับก็น่าจะเกือบสิบปีนะนะ แล้วแบบนี้ช่วงที่อยู่คนเดียวนี่แบบแบบไม่เหงาไม่ฟุ้งซ่านอะไรบ้างเลยครับก็นี่มีเรื่องให้ศึกษามาบอกพวกเราเนี่ยนะจนทําเป็นอะไรเยอะแยะหมดอะมันเป็นโชคดีจะได้อยู่คนเดียวเนี่ยดีเลยนะอถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยคงไม่มีเรื่องพูดเถืนะหรอกใช่ไหมว่าเราก็ต้องตามหมู่กนณะไปใช่ไหมมันมันเหตุปัจจัยอะเยอะ บวชไปผูกไปผูกมาเอ้ามาอยู่คนเดียวกลางทุ่งโอ้โหก็ไม่คือมันชีวิตมันคาดไหลไม่ได้หรอกเราคิดว่าจะอยู่วัดนี้ตลอดชีวิตมันก็ไม่แ น, น่นอะนนะเราคิดว่าเราจะเดินตามครูบาอาจารย์ไปตลอดชีวิตก็ไม่แน่นอนอีกนะก็มีเหตุให้เราได้มาศึกษาอันนี้นะถ้าเราศึกษาอันนี้ในที่ที่เขาไม่ศึกษากันเราก็คงจะไม่ได้ศึกษานะไม่มีใครสนับสนุน แต่นี้อยู่คนเดียวไม่มีใครมารบังคับนงนะอืมเอาไปดูเอา้าโอ้จากโอษฐ้าเล่มที่ท่านผู้ท่านทําไว้เมันอ่านกลุกอยู่แต่ข้าห้าเล่มดังนั้นโอ้คาตอบผู้เจ้ามีบอกหมดแล้วนี่นะ่ะก็ศึกษาดูตรงนี้เพราะคําสาว ก, ก็อ่านมาจะยี่สิบปีแล้วนะ่ะตั้งแต่ก่อนบทสิบสี่ปีบทมาแล้วสี่ปีอ่าเพิ่งมาเจอจากพระโอษจากพอมาเจอจากพระโอษว่าอ๋อคำผู้เจ้าคําตอบมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยข้อสงสัยต่างๆที่ เราเคยสงสัยเนี่ยผู้เจ้าตอบไปหมดแล้วหนักก็เจาะประเด็นตรงนี้นีถ้าคนไม่มีเวลาที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆที่จะคลุกคลีอยู่กับคำภาษาสระก็จะไม่คล่องแคล่วในคํำภาษาสรนก็ธรรมดานั้นก็จะแนะนําพระเนี่ยบอกเนี่ยก็อ่านแต่จากโอทห้าเล่มเนี่ยหรือว่าที่ทํามาเนี่ยเล่มสิบเล่มหรือว่าต่อไปมีตัวเนี้ย3าเล่มขึ้นมาเนี่ยก็คือคลุกอยู่แต่การคํำผู้เจ้าเนี่ยเก่งแน่นอน มีปัญหาอะไรก็คือเข้าเฝ้าพู้เจ้าตลอดเข้าเฝ้าตลอดถามเปิดนในหัวยอมก็จะมีแต่คำพูะเจ้าไม่อยากจำมันก็จำได้โยมสัมผัสอยู่กับคำพูะเจ้าตลอดใช่ไห ม, มพระเจ้าบอกไภิกษุเนี่ย ต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตไม่ใช่เป็นทายาทแห่งธรรมะคนอื่นนะทุกวันนี้ปริพาชคทั้งหลายคงจะดีใจในภิกษุช่วยมาเป็นทายาทแห่งธรรมะของเขานะเอาเอกสารวิชามาทําเอาข้อวัดต่างๆที่พระเจ้าไม่เคยบอกมาทำเชื่อชูข้อวัดของปริพาชคทั้งหลายนะถ้าโยมเป็นเจ้าลทัทธิปริพาชคก็ดีใจลูกศิษย์พระเจ้าช่วยรักษาให้เราดีเนาะอะเนี่ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวพิกษุนเนี่ยต้องนึกต้องสำนึกในหน้าที่ตัวเองเราเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะอย่างนีนะ้เมื่อถูกถามว่าเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราเป็นส ม, มณะสากยะบุติยะนะเป็นบุตรของส ม, มณะในสากยะตระกูลนะมีอยู่คนหนึ่งอเจลักะ <c oughs> สุนัขตาเขาไปเจ อ, อเจลกะ บุตรของเจ้าฤชวีลูกกษัตริ์มาบวชเป็นปัจชาสมณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินไปบิณฑบาตหันไปเจออเจล ก, กะนักบวชเปลยคลานสีขาเหมือนสุนัขเขาก็สอกเดินกับเขา่าแล้วก็ก้มกินอาหารที่ก็กองไว้กับพื้นสุนัขตานึกในใจว่าโอ้พระ พระอาหารหันรูปนี้ดีจริงหนอครูเจ้ารู้ความคิดนยหันวับมาข้างหลังโมคบุลุต เ, เธอยังพอจะนับเป็นสักยะปุตติยะได้หรือไม่เนี่ยได้เป็นลูกศิษย์เราได้ไหมเนี่ยไปชื่นชม น, นะสมณพราพมณ์เราอื่นใช่ไหมอืมแล้วก็ไปคิดว่าเขาคือพระลรานไม่รู้อะไรเลยความรู้ยังศูนย์ไงใช่ไหม พอผู้เจ้าว่าหันมาว่าเอา้าวทำไมว่าเขาอย่างนี้นะกลับมาว่าพผู้เจ้านะะผู้เจ้าอิจฉาก็แหลห่วงความเป็นวัลลานหรือเปล่านะอืมแล้วผลที่สุดก็เลยหลีกออกจากธรรมวินัยนี้ไปเห็นไหมเนี่ยเสียดายไหมอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ละทิ้งไปใช่ไหมอ่าเพราะความไม่รู้ของตนเองนะก็จะมีมาตรฐานที่วัดสอบอะไรไปเรื่อยๆผิ ด, ผด พระเจ้าประเสที่โกศล ส, นนะส่งสปายไปตามเมืองต่างๆให้ปลอมตัวเป็นอะไรเป็นพวกปริพาชกลัทธิที่ต่างๆนักบวชเปลืยบ้างนะเป็นดีรัถีบ้างอะไรบ้างนะแต่ไม่เคยปลอมตัวเป็นภิกษนะุไม่เคยให้จและบุรุษของท่า น, นปลอมตัวเป็นภิกษุแต่ก็มีแต่ปลอมตัวเป็นพวกนักบวชพวกนี้ เพราะมันคือคนมันชอบดูอะไรแปลกๆกันนะโอ้ยนะอะไรแปลกๆโอ้นี่สงสัยพระราหันน ะ, อ, ะอย่างนี้นั้น <c oughs> นี่ก็เลยเป็นเครื่องสังเกตให้เราเห็นว่านี่ขนาดแค่คิดไปชื่นชมส ม, มณพราหมณ์เหล่าอื่นผู้เจ้ายัางตำหนิว่าเป็นโมคบุรุษนะแล้วมีภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งไปศึกษานดลชาณวิชา ครูเจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําตถาคตเธอยังจะไปศึกษาคําคนอื่นอยู่หรือไม่เธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ไหมนะนี่ไปศึกษาเดชานวิชานี่คิดชื่นชมพวกอเจรกะนี่ไปศึกษานะแล้วครูเจ้าก็เลยบัญญัติการปรับบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ศึกษาเดชานวิชาวิชาเองเลยไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่แค่ชื่นชมนะแต่ลงมือทําเอง รักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเขาก็เลยงงๆอยู่นะอ่ามันก็ <c oughs> ต้องให้ความรู้กันนะเพราะนั้นถ้าถ้าจะทำเนี่ยย่อมต้องแยกแยะไงแยกแยะให้ชาวพุทธหรือพุทธบริษัทรู้นะว่าอ่าตอนนี้เป็นพิธีสงฆ์นะต่อไปเป็นพิธีเดรัชานวิชานะก็อ่าต่มาจะทำซึ่งเดรัชานวิชานะอ่าเร่งนี้ เรต้องกอยากแจ ก, กข้อมูลให้ชัดเจนให้ถูกต้องใช่ไหมพวกโยมก็จะได้เลือกได้ไงใครอยากอ ย, กอ ย, กอยกู่กับเดลฉานวิชาก็เลือกเอาใครอยากอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เลือกเอาอย่างนี้นี่ศาสนาจ ะ, จะเจริญหรือเสื่อมเพราะเหตุนี้นั่นนี่นะข้อวัดปฏิบัติที่นำพากันมาถูกต้องหรือไม่นั้นบทประชนต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกมีนัยยะอันถูกต้องนี่คือความตั้งมั่นของพระสัทย์ธรรมข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ภิกษุต้องเป็นผู้ว่างง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความกรบหนักแน่นข้อที่3ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะเนี่ยทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่า ย, ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่ อ, ตอไปดังนั้นถ้าภิกษุถ่ายทอดผิดผิดผิดผิดผิ ด, ผ ด, ผ ด, ผดตามกันไปเรื่อยๆเนหะ็น ข้อที่สีภิกษุที่เป็นเทระคือบวชนานสิปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมต้องปารบความเพี่ยนให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะเนี่ย <c oughs> นี่สีข้อความตั้งมั่นของพระศัตธรรมนะและการที่คนเนี่ยมีศรัทธาในพระศาสดาเนี่ยนะดูยังไง <c oughs> แล้วสูตรนี้พระท่านไปเจอมาว่าโอ้เป็นเครื่องชี้วัดชาวพุทธย่างดีเลย ว่าชาวพุทธที่บอกศรัทธาศรัทธาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกเธอมีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาหรือไม่นะพิกษุชื่อสุภุติพาภิกษุชื่อศัทธามหาพระเจ้าบอกภิสูุชื่อสัทธาเนี่ยโอ้ออกบวชด้วยความศรัทธามากเลยน่ะพระเจ้าบอกเขามีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาหรือเปล่าแสดงว่าทำปรยายศนียยังไม่เคยแสดงภิกษุสุภุติก็เลยบอกว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะแสดงเรื่องลักษณะแห่งศรัทธาผู้เจ้าก็บอกเลยไล่เรียงไปตั้งแต่คนมีศรัทธานะดูนะหนึ่เขาจะมีศิลปิกษุที่มีศรัทธาเนี่ยจะมี1สัมปนะศีลาศิลบริบูรณ์นะสมีสัมปนะปฏิโมขาปฏิโมขาสังวรสังรุตตาคือสังวรสัมพนมในปฏติโมสามจะมีอาจารย์ลโคจระสัมปนานี่กรณีภิกษุคารวะก็มีศิลห้ามีอุโบสถ8ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่คือลักษณะแห่งศรัทธาที่เขาแสดงออกมาได้อย่างที่สองเนี่ยเขาจะสั่งสมสุตตะในคําของตถาคตนงั้นโยมศรัทธาตถาคตโยมก็ต้องฟังคําตถาคตไม่ใช่ศรัทธาในกอแต่ไปฟังคําในขอศรัทธาในขอไปฟังธรรมะในขอนนก็แบบสุนคตะมาโบสถกับพระเจ้าดันไปขอธรรมะกับอาเจลกะ แล้วถูกเขาตาวาดมาสุนัะคาตาบอกโอ้เราไปทำให้พระลหันนะเก <_ d ata> ิดอารมณ์ไม่ดีซะแล้วกลับมาเล่าให้ผู้เจ้าฟังอีกนะผู้เจ้าบอกโมขาบุรุษนะ <_ d ata> ยังไปคิด้วยเขาเป็นพระลหันอีกนะอืมอย่างเงี้ยนะโความเข้าใจผิดมันเยอะนะหลายแงยม่มุม <_ d ata> ดังนั้นถ้าเขามีลักษณะแห่งศรัทธาต่อพระศาสดาจริง <_ d ata> เขาจะฟังคำตาตาคตเ <_ d ata> ขตาจะสังสมสุตะในคําตาคต จะทรงจําได้คล่องป่ากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะเนี่ยนี่คือลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอีกอันหนึ่งเขาจะมีอะไรนะเขาจะเป็นผู้มีมิตรดีนะสหายดี <c oughs> เขาจะเป็นผู้ว่างง่ายนะเนี่ยนันถ้าคนศรัทธาเขาจะว่างง่ายบอกปุ๊บเขาจะเดินตามทําตามทําตามทําตาม นะเพราะนั้นอย่างภ <c oughs> ิกษุชื่อสุภัทธนะนะผู้เจ้าบอกว่าอา้ามาฉันมื้อเดียวเถอะยอมมะไม่ยอมวางง่ายมาไม่วาง่ายเลย <c oughs> ผู้เจ้าบอกอะทําไม่ได้ล่ะเอางั้นสุภัทธะเก็บอาหารตอนสายไว้ตอนเช้าที่บินถอดได้ไว้ฉันตอนสายนะอุตส่าห์อนุลมให้นะสุภัทธะว่างาต่อรู้ไหม ข้าพงก็ยังทาไม่ได้ปฏิเสธสองรอบผู้เจ้าทำยังไงลุกจากอาสนะหลีกไปเลยไม่เอาดีกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องลนะนะพิสูจทั้งหลายก็เลยตาหนิสุภาาัท t ะกล้าดียังไงไปคัดง้างพระผู้มีพระภาคเจ้าน่ ะ, ะไปขอขมาผู้เจ้าซะสุภัท t h ก็ <c oughs> <c oughs> สำนึกได้ก็ไปขอขมาพระศาสดาพระศาสดา บ, บอกว่าสุภัตทะ เธอเป็นอริบุคุณขั้นโสดาสกิตาคาอนาคาผลานบ้างหรือไม่สุภาัตาบอกยังไม่ได้เป็นเลยเธอรู้ไหมโสดาบันสกทาคามีอนาคามีผลานแม้ตาขาคตจากก้าวเท้าลงไปในลมโกลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าก้าวผิดกําลังจะนําพาภิกษุมาเหลือฉันมือเดียวจากสามมือลดมามื้อกลางวันลดมามื้อเย็นเหลือเช้ามือเดียวสุภัต t แย้งตลอดเลย ขนาดอุทายีนี่พวกขยันแ ย, ย้งยังไม่ยังไม่กล้าเลยนะยังทําตามเลยแต่นึกเครืองในใจนึกโมโหผู้เจ้าในใจโอ้ โ, โหผู้เจ้านะน้อยเนื้อต่ําใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลือเกินเขาอุตส่าห์เอาอาหารมาถวายทําไมไม่ฉันอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความรักเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันนะนะ่อุทายีมาบรรยายให้ผู้เจ้าฟังทีหลัง <c oughs> <c oughs> นะหลังจากผู้เจ้าสั่งงดไป สองมือแล้วน ะ, ะทีแรกอุทายีไม่พอใจแต่ก็ทำตามไปจนกระทั่งมาอยู่วิเวกหลีกเลนผู้เดียวก็มานึกว่าเออความทุกข์ที่ตัวเองเคยบินตบาดเวลากลางค่กลางคืนเนี่ยมันหมดไปเลยตกลงไปในหลม่มโครนบ้างเดินเหยียบแม่วัวแม่โคที่กำลังนอนบ้างถูกโจนปล้นบ้างนะครั้งหนึ่งเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบน ะ, ะผู้หญิงก็ตกใจบอกว่าผีเปรมาแล้ว อุทายีเขาบอกน้องหญิงเราเป็นภิกษุมาเพื่อบิณฑบาตแสวงหาอาหารผู้หญิงก็เลยบอกพ่อตายแม่ตายไงต้องมาหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนเพราะไอ้แค่ท้องหิวนีน่ความทุกข์พวกนี้อุทายีมันนั่งเล่าให้ผู้เจ้าฟังนะบอกก็หมดไปเลยนะเราก็ได้รู้สึกได้เห็นบรรยากาศนะแสดงว่าอุทายีเนี่ยบินกลางคืนเนี่ยมืดจริงๆเนีผู้หญิงอยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นต้องฟาดแลบแบบแป๊บปุ้ยผู้หญิงอยู่ตรงหน้านะ โอ้แสดงก็ญญตคุ้มตะคุ้มไปนะเนี่ยโอ้ลำบากมากนะนี่ถ้าพระเจ้าไม่จัดระเบียบนี่คงคงจะวุ่นวายนะโยมนอนอยู่บ้านตีหนึ่งตีสองพระมาแล้ววินา่าโอ้โหงานค่อยระยุ่งลนะไม่รู้โจรหรือพระกันเนะ <c oughs> ืมเนี่ยนพะูะเจ้าวั ญ, ญัยิเนี้มาตรฐานแล้วสุดยอดแล้วนะนี่ไงประกอบด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายเห็นไห ลักษณะแห่งศรัทธานะแล้วก็ไ ล, ล่เลียงไปเขาจะละกุศลสร้างกุศลนะขยันไม่เกียจค้านนะประกอบด้วยปัญญานะกล่าวคำอันเป็นที่รักนะไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เฉพทั้งเ <c oughs> <c oughs> ข้าชาน 1, 2, 3, 4าได้ปุเพนิวาสานุสติญาณได้จตุปปาทญาณเฉพทั้งสิ้นอาสวะนะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาคนศรัทธาจริงเขาทาอย่างนี้ น่ะถ้าไม่ทําอย่างนี้เยอันนี้ไม่ใช่นะอืมเี่ยเราได้เครื่องวัดศรัทธาได้เนหะ็นอืมแล้วเราก็ไปเจออีกศรัทธาที่พระเจ้าบอกพระเจ้าแบ่งการใช้บทคําพูดิงนะในแบบคือในภาษาไทยมันจะไม่ค่อยชี้ชัดไนงะเราต้องกลับไปดูบาลีในเบื้องต้นเนี่ยความเป็นโสดาบันเนี่ยพระเจ้าจะใช้คำว่าอะไรใช้คําว่าเลื่อมใสยอย่างยิ่ง พอขยบขึ้นมาปุ๊บจะใช้คําว่าศรัทธาแล้วจนเป็นพระละหันจะใช้อภิสัทธหติคือศรัทธาอย่างยิ่งอันนี้ใช้กับพระละหันถ้าโสดาบันเนี่ยจะใช้เลื่อมใสยอย่างยิ่งหรือเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวาบาลีจะใช้คําว่าตทาคตเตเอกันตคโตอภิปสัสสนโ น, นปสัสสนโนปสัสสนนะก็คือเรื่มใสอภิก็คืออย่างยิ่ง เอกันตคโตก็คือไปส่วนเดียวตถาคเตก็คือในตถาคตเลื่อมใสยอย่างยิ่งไปส่วนเดียวในตถาคตหรือเลื่อมใสตถาคตถึงที่สุดยิ่งโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นชนะัดเจนกับพระพุทธเจ้านะหรืออีกคํานึงจะใช้คําว่าอาเวจจับปัสาเทนะนะก็คือเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ<ม>์นิสโตรบัน และขยายความคำนี้นี่ไปเจอในพระสูตรไหนไปเจอในพระสูตรของเจ้าสากยะที่พูดกับพระศาสดาเป็นตัวขยายตัวนี้ได้อย่างดีเลยว่าขนาดไหนเลื่อมใสยอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวในขนาดไหนเขาบอกว่าถ้าเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่งพึงบังเกิดขึ้นในธรรมวิ น, นัยนี้แล้วผู้เจ้าเนี่ยพูดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายพูดอีกอย่างหนึ่งหม่อมฉันจะฟังพระพุทธเจ้า นี่ถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายทั้งหมดเลยพูดอีกอย่างหนึ่งหมอมฉันจะฟังพระพุทธเจ้านีถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกพูดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ก็ยังจะฟังพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหมอมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้ โอ้โหนี่ขายายความเลยชัดมากเลยนะใครจะพูดยังไงก็ ต, ตามทั่วโลกธาตุฉันจะฟังพระเจ้าคนเดียวนะหนักแน่นขนาดนี้นี่โสดาบันนะนี่ก็โสดาบันนะอ่านะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเรายิ่งเจอพุทธวจนะเนี่ยความชัดเจนจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้หลักเกณฑ์ที่มาตรฐานไงอ่าหลักเกณฑ์มาตรฐานมาก แล้วเราจะมีความมั่นใจในการกระทำเราทำไปปุ๊บเนี่ยนั่นะคือผู้เช้าลองรับนะอืม มีภูมิมีแดนสุขาวดีซึ่งแต่ก่อนเคยจะได้ยินแต่ของทางมหายานว่ามีแดนสุขาวดีแต่ตอนนี้เนี่ยทางเทวเองก็มีมาบอกว่านั่งสมาธิแล้วขึ้นไปพบที่พระพุทธเจ้าที่แดนนิพพานแล้วมีสมเด็จองค์กฐมมงค์แรกแต่ว่าจากเท่าที่ศึกษามันเนี่ยก็คือว่าท่านิพพานก็เขาอาจจะตีความจากสุญญาตารามหรือเปล่าครับาาอาจารย์ ทีนี้ก็เลยจะตัดทือใจตัวเองจริงๆเนี่ยก็ยังยังจะเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดไปเนี่ยถ้าเกิดยังมีชาติชารามรณะอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์เมื่อนิพพานแล้วเนี่ยมันไม่มีเหตุของการเกิดมันถึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆการที่ไปเกิดมีเป็นพบเป็นภูมิถึงแม้ว่าจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ต้นเป็นองค์ประทุมจริงๆก็มันก็ยังเป็นการเกิดอยู่อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับอาจารย์เขาบอกหน้าตาไหม บอกรูปร่างไหมเขาก็ญญาสมมติ <ไง S 2> ว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นพรเป็นเหมือนพระพุทธชินราชแต่องอ้วนกว่า<อ>เขาบอกอย่างนี้นะองอวบกว่าเขาบอกอย่างนี้นะครับอาตมาก็จะได้เอาข้อมูลตรงนี้มาเปรียบเทียบกับคําพระศาสดาให้โยมฟังนะว่าสภาวะนิพพานเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าพอบอกปุ๊บเนี่ยจะเริ่มชี้ชัดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์อธิบานนิพพานบอกว่า สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามนั้นท่านก็บอกโอ้พระเจ้างามงามไม่ใช่ละบอกอ้วนบอกอะไรเหมือนอ่ะมีมิติและมีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ใช่ไหแต่พระเจ้าบอกนิพานไม่มี เพราะนั้นไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้เป็นมิติต่างๆไม่มีดังนั้นถ้าคนบอกพาไปนิพพานหรือเห็นนิพพานแล้วกล่าวมิติอะไรขึ้นมาได้ไม่ใช่นั่นปรุงแต่งละนะไม่ใช่สภาวะนิพพานการบัญญัติอัตตาบัญญัติได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระศาสดานะี้มีบอกไว้ยงจะเรียกอะไรก็ตามเรียกปากกาเรียกไมเรียกหยยกนังสือเรียกกระดาเรียกฝุน่นเรียกอนูอะไรก็ตาม ต้องมีการเกิดปรากฏโยมถึงจะเรียกมันได้ถ้าเกิดไม่ปรากฏโยมจะบัญญัติอะไรได้สภาวะของอสังกตานี่หรือนิพานเนี่ยอสังกต์เป็นชื่อแทนนิพานอาสังกต์เนี่ยกุณสมบัติของมันคือณอุ ป, ปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนะสณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. <c oughs> นติตตสัญญาถัดตั้งปัญญายติเมื่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะพระเจ้าไม่ได้เล่นคําบอกว่านิพพานบัญญัติไม่ได้ก็มันบัญญัติไม่ได้จริงเพราะเกิดไม่ปรากฏจึงไม่สามารถบัญญัติตัวนิพพานได้การอธิบายนิพพานนั้นจึงอธิบายภายใต้อายตนะที่เรามีอยู่แล้วเราเข้าใจได้แล้วบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีในนิพพาน พระองค์จริงบอกเราอธิบายนิพพานว่าดินน้ำไฟลมไม่มีพอยมรู้จักดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานพยมรู้จักกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ห้องนี้กว้างแค่ไหนาลึกแค่ไหนอะไรแค่ไหนพยมรู้จักผู้เจ้าบอกในนั้นไม่มีผู้เจ้าบอกในนั้นไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณดับสนิทวิญญาณดับสนิทนามรูปดับไม่มีเหลือนามรูปวิญญาณอะไรนะจิตของเรา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาตไม่มีในนั้นรูปก็ไม่มีไงคลองแห่งการเรียก <c oughs> คลองแห่งการบัญญัติคลองแห่งการพูดจาปัญญัติเนี่ยเรื่องจะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามมีเพราะวิญญาณกันามรูปมันทํางานกันดังนั้นในภาวะนิพพานไม่มีวิญญาณกันามรูปการบัญญตัติต่างๆจึงไม่มีวิธีในการ อธิบายหรือบัญญัตินิพพานจึงบัญญัติภายใต้สมมุติว่าสมมติแบบนี้นี้นี้ น, นี้ไม่มีในนั้นเห็นนะดูเทคนิคการอธิบายของพระเจ้าสรุปแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้อธิบายตัวนิพพานอยู่ดีเพราะอธิบายไม่ได้อืเพราะเกิดไม่ปรากฏเข้าใจไหมเนี่ยยอมคําพระศาสดามันแก้มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆดังนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดก็ตามบัญญัติความหลุดพ้นในรูปแบบแบบนั้น ก็ยังเป็นการเกิดปรากฏอยู่นั่นเองเมื่อเกิดปรากฏสิ่งที่ตามมาคืออะไรเสื่อมหลังจากเสื่อมคืออะไรเสื่อมเรื่อยๆคือติดตัดสอัญญตต่างปัญญายติเมื่อเสื่อมเรื่อยๆแล้วจบด้วยอะไรนิโรธคือดับนะดังนั้นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาก็ตามสิ่งนั้นต้องมีการดับตามมาแน่นอนนี่คือสัจจะของของปลอมสัจจะความจริงฝ่ายสังขตะ จึงเรียกว่าสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรมนะลักษณะของสังคตะธรรมคือขันห้าเป็นอย่างนี้อริสสีเป็นสัจจะของสังคตะธรรมนะสองคนเลยคนนัน้นกันก็นได้ <c oughs> อาทละันนะเดี๋ยวจำได้ไม่หมดแต่ละคําตอบมันยาววิหารธรรมหมายถึงทําเครื่องอยู่นะเหมือนเราต้องอยู่บ้านอยู่วิหารอย่างเนี้ยนะจิตมีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่กายข้ตาสติเป็นวิหารธรรมอาณาปานาสติเป็นวิหารธรรมนะชาหนึ่งสองสามสี่เป็นวิหารธรรมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิหารธรรมคือทําเครื่องอยู่มีอะไรบ้างก็คืออย่างที่บอกไปนะแล้วก็ ความว่างต้องกลับไปดูบาลีว่าความว่างนี้คืออะไรสุญญาตาสุญญาตาหมายถึงอะไรตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงนิพพานเลยทั้งหมดเรียกสุญญาตาได้หมดนะว่างจากอะไรถ้าว่างจากอากุศลพระอ น, นุ์บอกพระเจ้าเรียกว่าสุญญาตาคือปฐมฌานทุติยฌานก็คือว่างจากวิตกวิจารนะก็เรียกสุญญาตานะขึ้น ตติยฌานว่างจากปิติก็เรียกสุญญาตาตอนนั้นสมาธิเกระดับทั้งหมดเรียกสุญญาตาได้หมดจนถึงนิพพานก็เรียกสุญญาตาแต่มีคําชี้ชัดตัวสุญญาตาของนิพพานอีกอันหนึ่งเรียกว่าปารมานุตรสุญญาตาสุญญาตาอันเป็นอนุเรนนี้คือไม่มีขันธ์ห้าทั้งหมดนะ <c oughs> ไม่ไม่มีตรงนั้นนะชาญมีแค่สี่ชาญนะคือปฐมชาดทุติยชาดตาติยชาญจตุตยชานก็หมดแล้วนะตัวนี้ก็เป็น <c oughs> ทำฝ่ายโลกนะเป็นสัมมาสมาธิยังหลุดพ้นไม่ได้แค่กำลังลาดเอียงโน้มเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานดังนั้นคนได้ชาญหนึ่งสอาสนี่พรเจ้าเรียกว่า เธอลาดเอียงโน้มเอียงเทียงไปสู่นิพานจะเป็นโลกุตราได้ยังไงพระองค์บอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าในองค์ฌานนั้นนั้นถึงจะเข้าสู่ความเป็นอริบุคคลได้นะเนภาวะนิพานเมื่อสักครู่นะีนะ้ทนะีนะ่พนระจารย์วาด ข้อสมที่ว่าเมื่อตั้งอยู่แล้วไม่มีภาวะอื่นปรากฏตัวตั้งอยู่นี่หมายถึงอะไรคะสภาวะของนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์เป็นความมีอยู่แต่ความมีอยู่นั้นเกิดไม่ปรากฏดังนะนั้นไม่ใช่ว่านิพพานไม่มีมีแล้วถ้าบอกนิพพานศูนย์หมดเลยอะไรก็ศูนย์ก็จะไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่าทุกอย่างขาดศูนย์ผิดอีกนะจะเป็นสุดตรงของความเห็นสองอย่างว่า อัตตามีเรียกว่าอัตติตาและสุดตรงของอีกข้างหนึ่งเรียกว่าอัตตาไม่มีคือนัตติตาหรืออุดเฉททติติความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างนี้นั้นนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์นะตถาคตย่อมแสดงทำโดยสายกลางไม่เข้าไปหาศูนย์สุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณไล่สายปฏิจจ์สายเกิดและสายดับมาสรพสิ่งนี้มีเหตุเกิดและมีความดับ ตามหลักปฏิจจสุบัทธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นนะไม่มีของใครนะในนี้ฉะนั้นศาสนาพุทธจึงไม่มีพระเจ้าไม่มีใครใหญ่นะไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกวด ส, สัตว์ไปโน่นไปนี่นี่จงไปนรกนี่จงไปสวรรค์นี่จงประสบอุปัติเหตุนี่จงมีลาบไม่มีนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเะฉะนั้นะตัวกรรม นเนี่ยเนี่กรรมของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมคืออะไรคือตัวสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารคือตัวกรรมที่ถูกจิตเข้าไปรู้นะวิญญาณไปรู้สี่ธาตุเรียกว่าไปมีกรรมพระองค์จึงเปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาเรียกว่ามีกรรมแล้วยงไปสู่กรรมตัวผืนนาเนี่ยมี3ระดับผนะืนนาดีผืนนาปานกลางผืนนาเลว แล้วก็ยงไปสู่วิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณก็คือตัวสี่ธาตุนี่คือตัวอธิบายเรื่องกรรมดังนั้นบางทีคนอธิบายเรื่องกรรมยังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรนะีบางทีไปอธิบายว่ากรรมไม่เจตนากรรมไม่เจตนานี้ไม่มีเพรนั้นถ้าโยมไปหาคำพระศาสนาเรื่องกรรมไม่เจตนาพคกไม่เคยพูดเลยจะเหมือนกับบอกวิญญาณเป็นไว่ายแต่เกิดพวกไม่เคยพูดนะนีังั้นพระองค์พูดอย่างเดียวบอก ภิกษุทั้งหลายเรากราวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมตัวเจตนาคือตัวกรรมนะเหตุเกิดของกรรมคืออะไรเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะเรียกว่านิทานะสัมภะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมนะนั้นกรรมเกิดจากไหนเกิดจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายธรรมอารมณ์นะใจกระทบธรรมอารมณ์กรรมเกิดละ ก็คือวิญญาณกระทบกับรูปนามสี่ขันนั่นเองเข้าใจไหมนีม่เป็นอย่างนี้เรื่องของกรรมและ ว, วิธีดับกรรมก็คือมักมีองแปดอย่างเดียวนะใกล้หมดเวลาแล้วนะ ค่ะการที่แต่ละคนมีปัญญาทางธรรมที่ต่างกันนี่ขึ้นอยู่กับพละหอินทรีห้าหรือเปล่าคะใช่เพราะว่าธรรมชาติธรรมะเนี่ยค่ะมันก็แสดงตัวให้เราเห็นอยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วแต่ว่าบางคนไม่เห็นบางคนมองเห็นแต่ว่าไม่ได้เอามาคิดใครครวญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบมีคนพิการมีคนตายมีคนเสียชีวิตมากมายแต่ว่า บางคนก็ยังอยากจะเวียนไหวไตเกิดซึ่งเราเนตทางกับกันเราเห็นว่ามันเป็นความทรมาน<ช>ถ้าสมมติว่าเกิดมาแล้วต้องพิการแขนขาดขาขาดหรือว่าตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไอ้ปัญญาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสองสิ่งนี้ใช่ไหมคะพระห้าอินทรีย์ห้าใช่คือกำลังในการที่จะหลุดพ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับ พละห้าหรืออินสีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวนี้แล้วมาไปเห็นคนที่เขาอยู่ในห้องผ่าศพนะโอ้มห น, น้าบรรลุแท้ๆเลยนะมันผ่าศพทุกวันนะนะนะเห็นคนตายทุกวันผ่าศพทุกวันไม่มีอะไรเลยนะสับเป็นชิ้นๆออกมานะรีดออกมาแหวะนะ้าอกนะเสร็จแล้วก็เย็บต่อก็ไปใหม่ ทำแบบหน้าตาเฉยเลยนะเอาเลื่อยมาเลื่อยกระโหลกเลื่อยออกมาเปิดมาอาพิสูจน์ดูเป็นไรเอาเสร็จก็เอาปิดกลับเย็บติดก็ไปใหม่นะขนไปกองกองกองกองกันอย่างนี้เออมันหน้ามาันลุ่นนะตกเย็นก็ไปกินเหล้ า, มาเมายาคุยกัน <c oughs> <c oughs> เออมันอยู่กับธรรมะแต่ไม่เห็นกันนะอค่ะ <c oughs> แล้วก็มีความคิดว่าบางท่านที่มีปัญญาทางโลกไอคิวสูงๆมีอาชีพที่ดูเหมือนจะมีะมีความรู้นะค ะ, ะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องปัญญาทางธรรมเลยอะคะ่ะบางทีการมีปัญญาทางโลกมากๆเนี่ยกับะจะเป็นอุปสรรคในการที่จะมีปัญญาทางธรรมด้วยเพราะว่าเมื่อมีปัญญาทางโลกแล้วเนี่ยบางคนมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดมากกว่าความจริงในโลกอะคะ่ะก็ ตรง น, นั้นก็ไม่ใช่เครื่องวัดนะเครื่องวัดก็คือชี้ไปที่ตัวเดียวคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยผู้เจ้าจะบอกหมดเลยว่ามีลักษณะยังไงเช่นศรัทธาผู้เจ้าบอกให้ดูที่โสตาปัญญคัสีว่าเขาเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมนะเป็นตัวว่าศรัทธานะอันที่สองวิริยะสังเกตตรงไหนสังเกตว่าเขาเนี่ย ทิ้งอกุศลไหมสร้างกุศลไหมถ้าเขาหมั่นทิ้งอกุศลสร้างกุศลเขามีความเพียรศรัทธาวิริยะสติผู้เจ้าบอกว่าให้ดูที่สติปัฏฐานสี่นะอ่าสมาธิผู้เจ้าบอกให้ดูที่ฌานทั้งสี่นะว่าเขาเข้าฌานทั้งสี่ได้ไหมนะปัญญาให้ดูที่อะไรเขาเห็นสัจจะคือความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปได้ไหมนะถ้าเขาเห็นได้ เรียกว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าแก่รอบนะซึ่งบางทีเด็กๆบางคนเกิดมาเนี่ยอาจจะเป็นโสดาบันมาแล้ว5ชาติก็ได้ใช่ไหมอ่าชาติ น, นี้มาเกิดชาติที่6กเขามีภูมิทําติดมาแล้วยมจึงเห็นว่าเด็กบางคนทํำไมบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเด็กๆมีเมตตากสัตว์บางคนชอบรังแกสัตว์ฆ่าสัตว์ใช่ไหมมันมาจากไหนติดนิสัยเก่ามาใช่ไหมไม่มีใครสอนเขาแต่นิสัยเป็นอย่างนั้น อาจมาเด็กๆ เ, เนี่ยพ่อพาให้ไปตกปลาตกปลามาตัวเกี่ยวปากติดลูกตามันดึงโอ้โหไม่กล้าตกอีกเลยสงสารมันดึงมาแล้วเลือดไหลเต็มไปหมดเลยนะล้วก็สงสารมันน ะ, นะทีนี้มีแต่ช่วยปลาปลาติดในหนองในแห้งอะไรโอ้ยเดินนะลุยขี้เลนเอาพามันไปปล่อยเน้นบ่อใหญ่ๆอย่างนี้อืม บางที <c oughs> มีความประสงค์อยากจะเอื้อเฟื้อเพื่อนนะคะซึ่งเราดูแล้วเพื่อน เ, อเราน่าจะมีปัญญาที่จะรู้ทางทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กับกลายเป็นแบบบางทีก็ทะเลาะกันไปเลยอะคะ่ะเราก็ไม่ได้ตั้งใจทะเลาะไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ด้วยนะคะคือเขาบางทีเขามาตั้งคําถามว่าธรรมกายคืออะไรนิมิตคืออะไร อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เ, เราก็บอกไปว่าไร้สาระไม่จําเป็นต้องรู้ไม่เป็นไรตอบอันนี้ตอบได้ไง ก็ตอบไปว่าธรรมการิจริงๆแล้วก็คื อ, อชื่อเรียกพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองอะไร อ, อย่ง <K> างนี้นะคะเขาก็มาเถียงว่ามันไม่ใช่ในความหมายที่เขาอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ<ห>อันนี้ต้องคือคําตอบทุกคําตอบต้องใช้จากอะไรต้องใช้จากพระศาสดาไงเพรฉะนั้นอันนี้จึงต้องชี้ไปที่ชี้ไปที่พุทธวจนะก่อนไงเพราะฉะนั้นหลักมหาประเทศสี่เนี่ยพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าถ้าใครเนี่ยอ้างว่าฟังมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าฟังมาต่อหน้าพระเถระ นี้วันนี้คือคําพุทธเจ้าเลยดังนั้นอ่าสำนักนี้อ้างวันนี้คือคําสอนพระพุทธเจ้านี่คือคํ า, อ ส, อ า, าคอคสอนพระพุทธเจ้ า, สสาแต่เกิดไม่ตรงกันพระุทธเจ้าบอกอย่ารับรองอย่าขัดการจําให้ดีนะเขาพูดอะไรอะก็เหมือนกับโยมจํามาดีละเนี่ยมีอ้วนอ้วนพระพุทธเจ้าอ้วนหน่อยเนีมีสีสันวันนะอย่างนี้อะอ่านี่ดีมากจํามาดีตมาก็จะได้เอาคําที่พระุทธเจ้ามาเทียบกันเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมฮ แล้วในพุทธศาสนะมีนิมิตไหมเจ้าคะนิมิตในความหมายคืออะไรมีไหมคะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะค <Can. S 2> อย่างเช่นภิกษุไปสู่ป่าเนี่ยต้องการกำหนดเขตที่อยู่ตนเองให้กำหนดนิมิต8อย่างขึ้นเช่นภูเขานะแม่น้ำเส้นทางแนวป่าจอมปลวกใหญ่ก้อนศิลาใหญ่นิมิตคือเครื่องหมาย โยมนั่งสมาธิเห็นนิมิตก็คือเห็นเครื่องหมายเห็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งอนิมิตต์สมาธิสมา ธ, มาธิที่ไม่มีนิมิตเป็นสมาธิที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่านะจะทําให้เกิดความผาสุกอย่างยิ่งไม่มีนิมิตอะไรไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไรนะนิมิต ท, ทั้งหลายก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงใครเป็นคนไปรู้นิมิตนะโยมวิญญาณขันวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนจริง สิ่งที่วิญญาณไปรู้ก็ไม่ใช่ของจริงตัววิญญาณเองก็ยังไม่ใช่ของจริงเลยนะแล้วนับภาษาะไรกับนิมิต ท, ทั้งหลายนะก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นคนที่มองนิมิตมองอะไรก็ตามแล้วเห็นไปในมุมของอริสสัตว์สีคือเกิดกระดับพู้เจ้าเรียกว่ายิงแม่นเข้าใจ<ม>เปียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงแม่นมดังนั้นคนคนนั้นจะหลุดพ้นได้ไง ถ้ายิงไกลเนี่ยจะมองเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่พวกยิงแม่นเนี่ยพวกนี้เห็นอริสัต4มองอะไรก็ตามเห็นเกิดกระดับสองอย่างแค่นี้เกิดดับหมด <c oughs> การเห็นสองมุมเนี่ยเกิดกระดับพระเจ้ายัางเรียกคุณสมบัตินี้ว่ายานวัตถุเ7นะงนั้นเมื่อเขาเข้าใจเกิดดับในปัจจุบันเขาก็จะเข้าใจเกิดดับในอดีต ว่าอดีตทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่ดีและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เกิดดับแน่นอนยอมเชื่อไหมว่ามนุษย์ที่จะเกิดอีก 2,000 ปีเกิดแล้วตายแน่นอนเชื่อนะเกิดดับนะไม่มีมนุษย์จีรังไม่มีนะอ่าอย่างนี้ขอบพระคุณค่ะอืม นี่ได้ไปหลายเรื่องอยู่นะรวมเรื่องเลยนรื่ได้หลายๆมุมเดี๋ยวจะไม่ต้องกลับบ้านกันยันเช้านะ่กลาสมควรแก่เวลาเนาะจะได้ไปพักผ่อนกันก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคน ที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคาของตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราซึ่งเป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาอย่างหนึ่งนะก็ขอให้เหตุปัจจัยนี้จงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของตถาคตมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสมเร็จมรรคผลนิพพานในนาขต้ตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิด